โมตัสัะควโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธสันะโมตัสัะคกวโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธสันะโมตัสัะคกวตโตอะระหโต สัมมาสัมพุทธสัะ สรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิสังขังสรนังคัจฉามิทุติยมเปพุทธังสรนังคัจฉามิ ติยมปิธรมมังสรนังคัจฉามิติยมปิธรมมังสรนังคัจฉามิติยมปิสังขังสรนังคัจฉามิติยมปิสังขังสรนังคัจฉามิตัติยมปิพุทธังสรนังคัจฉามิ ตัตยยมปิธรมมังสระนังขจามิตัตยยมปิสังขังสระนังขจามิติศรณัมนังนิธิตัง จเจริญธรรมทุกคนวันนี้วันประสบอดีที่9ตุลาคม2557หน้าแรม1ค่ำเดือน11ปีมะเมียหน้าแรม1ค่ำเดือน11นอะวันนี้อ่ะวันนี้เราก็จะวันพุทธหัต เราก็จะเรียนความรักสิบมิติกันอีกเราไปถึงความรักสิมิติเราได้ไปถึงมิติที่ห้าแล้วเนาะชาตินิยมหรือรัฐธนิยมผ่านไปแล้วต่อไปก็จะเป็นสากนนิยมหรือจักรวาล น, นิยม สากล น, นิยมหรือจั ก, กรวาลนิยมเป็นมิติที่หกความรักสิบมิติเนี่ยที่อาตมานำขึ้นมาเสนอต่อสังคมตั้งแต่เริ่มพศ .2517 ได้คิดออกระลึกได้ โดยที่ไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้ร่างไม่ได้คิดมาก่อนแล้วมาถึงเวลามันก็นะมันเป็นขันส่วนอดีตทุกอัตมานำพาให้อัตมาระดึกถึงสิ่งนี้แล้วก็เอาสิ่งนี้ออกมาสู่สังคมมนุษย์ชาตินะให้เห็นถึงภาวะปิยกรณะคือความรัก กรณ ะ, ะการเกิดความรักของมนุษยชาติเนี่ยเพราะมันเป็นความรักมันเป็นอาการของจิตผูกพันหรือจิตที่จะสัมพันธ์สัมพันธ์อาตมาใช้คาว่าผูกพันก็เพราะว่าในมิติที่ต่าๆเนี่ยมันเป็นจิตที่มีความผูกพันมันมีพันธะ มันมีความเกี่ยวข้องดูดดึงสัมพันธ์กันจนกระทั่งมันมันจัดถึงขั้นผูกพันเพรา ะ, ะนั้นความรักมิติที่หนึ่งหรือสองอะไรพวกนี้เป็นความรักที่ยังผูกพันจัดผูกพันรัดตรึงแ น, น่นนะมันเป็นความยึดถือเป็นอาการทางจิต อาการของกิเลสเลยแหละถ้าจะว่าไปแล้วเป็นอาการของกิเลสถ้าเผื่อว่ามัน จ, จัดจัดจา้านมันเป็นกิเลสโดยตรงแต่ถ้าเผิบอว่าใช้พลังงานนี้เอามาใช้ประโยชน์พลังงานนี้เอามาใช้ประโยชน์พลังงานที่สัมพันธ์ผูกพันนี่แหละแม้ที่สุดพลังงานที่สัมพันธ์ก ม, มลมนุษยชาติแล้วก็คํานึงถึงมนุษยชาต คำหนึ่งถึงระลึกถึงเรียกว่าสารณียะก็เป็นความสัมพันธ์นะสารณิยะก็เป็นความสัมพันธ์ศาสนาพุทธไม่ได้เป็นศาสนาที่ตัดความสัมพันธ์จากมวลมนุษยชาติศาสนาพุทธขอย้ําเลยไม่ใช่ศาสนาที่ตัดความสัมพันธ์จากมวลมนุษยชาติเช่นที่เข้าใจกันผิดว่าถ้าเผื่อว่าจะไปบรรลุนิพพาน บนรุอรหันต์แล้วต้องตัดทิ้งหมดไม่สัมพันธ์กับมวลมนุษยชาติไม่สัมพันธ์กับสังคมไม่สัมพันธ์กับโลกโล ก, กีอะไรเลยต้องหนีทิ้งปลีกเดี่ยวไปเลยเข้าป่าเขาถ้ำไปไหนไหนลงรูลงเดี่ยวอะไรไปก็เชิญอะไรเงี้ยซึ่งเป็นความเห็นผิดผิดจากความเป็นาศาสนาพุทธอย่างหน้ามือเป็นลังมือเลย เพราะงั้นคนที่เข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมของพุทธที่จะไปนิพพานไปไปตสู่จุดที่ดีที่สุดสูงที่สุดถือว่าโลกุตระหรืออาริยะหรือเป็นความสูงสุดคุณธรรมสูงสุดของพุทธหรือแนวทางที่แท้ของพุทธเนี่ยว่าจะต้องหนีออกไปจากสังคมนี้ออกไปจากมวลมนุษยชาติผิดถนัดเลย คนละทิศ ท, ทางเลยศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มีมีความสัมพันธ์กับม น, มนุษยชาติที่สมบูรณ์สุดนัานจะเห็นได้ว่าคุณธรรมที่สมบูรณ์แล้วผู้ที่บรรลุธรรมสูงสุดแล้วพระเจ้าถึงย้ำยืนอย่างว่าเธอจงไปส่นิคมทั้งๆที่ตอนที่ปฏิบัติกันส่วนมากก็อยู่ป่ากัน ยังอยู่ป่ากันตอนนั้นนะที่มีพออาระอรหันห์หกสบรูปเนี่ยนะอยู่ป่ากันแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็บอกให้ไปสู่สังคมหมดนั่นแหละไปแยกกันไปองค์ลที่องค์ลถิ่นองค์ลแห่งไปสู่นิคมไม่ใช่ให้เข้าป่าเลยไม่ได้บอกเลยแม้เราก็จะไปสู่รุเวลาเสนานิคมแม้ท่านก็เข้าสู่นิคมเพราะตอนตรัสรู้ท่านอยู่ในป่าเพราะหลงทิศทาง ลงผิดลงทิศทางาออกป่าตามสังคมเขาค่านิยมของสังคมเขาในยุคนั้นมันก็เหมือนกับยุคนี้แหละค ล, คล้ายๆกันยุคนี้ก็เข้าใจผิดแล้วว่าการปฏิบัติธรรมในคำ ม, มะหรือออกปพุพเพื่อที่จะออกจากกิเลสเนี่ยจะต้องหนีเข้าป่าเข้าเขาเข้าธรรมเข้าไปที่สงบหลบเลี่ยงไม่มีลําดับเบื้องต้นทรากลางบั่นปลายในการปฏิบัติ ไม่มีไม่มีพอกานขั้นโซโดาสกาิธานาคาที่เคค่อยปฏิบัติตามหลักของศีลสมาธิปัญญาโดยกำหนดศีลเหมาะสมกับตนในฐานะโสดาบันขั้นต้นก็ศีลห้าแล้วก็ปฏิบัติไปตามหลักกรอบของศีลห้าแล้วก็ปฏิบัติเพื่อเรียนรู้กิเลสในกรอบของศีลห้านั้นแล้วก็กำจัดกิเลสนั้นได้ก็เป็นโซดาแล้วก็ค่อยเพิ่มสูงขึ้นศีลปศีลสิบอะไรไปตามลาดับ ลาดลุ่มมือนฝั่งทะเลยังไม่มีหลั ก, ลกเกณฑ์พวกนี้ยังไม่มีวิธีการปฏิบัติอะไรนะแต่ผู้ที่มาฟังธรรมพระเจ้าแล้วก็รีบบรรลุได้ที่ใช้คำว่ารีบบรรลุเนี่ยมันก็แหมฟังแล้วน่ากลัวอ่มันไม่ใช่รีบบรรลุหรอกมันเป็นความมีบารมีเป็นความมีบารมีของพระพุทธเจ้าที่ผู้คนพร้อมที่จะมาเป็น ทหารเสือมาเป็นผู้ที่จะร่วมกันสร้างศาสนาพุทธมันเป็นเรื่องครบพร้อมเป็นอจินไตยนัเป็นเรื่องที่ไม่ใช่คิดได้ง่ายๆเป็นเรื่องสมบูรณ์พร้อมของพระพุทธเจ้าที่ท่านจะต้องมีทุกอย่างพรักพร้อมทุกอย่างอะไรๆก็มันดูง่ายมันดูเป็นไปหมดตามกดปุ่มนี้ปุ่มนี้ปุ่มนี้ไปตามลําดับเลยมันก็จะเกิดปุ๊บปุ๊บปุ๊ มันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาภาคเพียนอะไรมากมายนักในการสร้างาศาสนาในการที่จะพยายามเวลาจะไปสร้างจริงๆเวลาจะไปสู้กัอันนั้นมันถึงจะลำบากไอ้ตอนที่จะมีอะไรใดก็มีองค์ประกอบพร้อมนะก็ไม่ได้ยากอะไรเพราะงั้นที่ท่านตรัดก็6กรูปว่าพระหุชนะเหตตายาหุชนะสุขา ย, ยะโลกานุกรรมปา ย, ยะไปเลยไปในนิคมแล้วก็ไปช่วยมวลมนุษยชาต เพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติก็ชัดๆอยู่แล้วภูมิจาริตายะก็คือสร้างประโยชน์ทําประโยชน์ให้แก่มวลมนุษยชาติมันพูดได้บรรลุกันเป็นผู้ที่ทําประโยชน์ตั้งแต่โซดาบันไปก็เป็นคนที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติบางคนที่ไม่มบรรลุธรรมของศาสนาพุทธเนี่ยยังเป็นคนปุตชนอยู่เนี่ยเป็นคนที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติทั้งนั้นฟังไว้เลย ถ้าใครที่นั่งอยู่ที่นี่ยังไม่เป็นโสดาบันนี่เป็นคนที่ไ ม, ม่มีประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติทั้งนั้นนะมีแต่จะเอาประโยชน์ตนมีแต่เบียดเบียนสังคมเบียดเบีย น, ยนมวลมนุษย์ทั้งนั้นนะเอาเปรียบเอารัดทั้งนั้นนะไม่ได้ให้ไม่ได้พอนะไม่ได้ให้ไม่ได้พอเลยมีแต่จะเอาเท่าไหร่เท่ากันเะท่าไหรเท่ากันะไม่ได้มีคุณค่าประโยชน์อะไรนะ เพราะงั้นในเรื่องของจิตวิญญาณที่มันไม่มีคุณสมบัติที่จะตีกรอบของความพอเรียกว่าสันโดรหรือสันตุติเนี่ยเมื่อไม่ตีกรอบแห่งความพอมันได้มันเอาหมดแล้วมันก็พยายามใส่แรงใส่พลังในการที่จะต้องเอาให้ได้ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ขอทานตั้งแต่คนไม่รู้เรื่องอะไรไม่มีความรู้ความสามารถอะไร จนกระทั่งถึงคนที่มีความรู้ความสามารถนะใส่แรงใส่พลังที่ต้องเอาให้ได้เอาราบยศสันเสอร์โลกีสุขนี่แหละเอาจากสังคมไปเอาจากไหนไปเอาจากงัวจากควายจากช้างมาเอาไม่ได้หรอกเอาจากคนนี่แหละเอาจากสังคมนี่แหล ะ, ะเพราะฉะนั้นพลังงานในการเห็นเกตตัวในการที่บอกว่ามีความรักเนี่ยหรือผูกพันหรือสัมพันธ์ มันสัมพันธ์เพื่อจะเอาประโยชน์ให้แก่ตนสัมพันธ์เพื่อจะเห็นแก่ตนเอาอะไรมาให้แก่ตนเท่านั้นเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นในการสัมพันธ์ของพลังงานจิตที่เรียกว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยจนกระทั่งผูกพันเนี่ยมุ่งมั่นเพื่อที่จะเอาเปรียเอารัดเนี่ยมันจึงเป็นพลังงานของจิตที่จะต้องรู้จัก แล้วก็พัฒนาลดละกันจริงๆลดละกันจริงๆคนปุถุชนเนี่ยที่ไม่มีแรงที่จะแย่งลาบแย่งยศย่งอะไรจากสังคมมากก็เพราะจำนนตัวเองอะจำนนจำนนว่าตนเองไม่เกง่งไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถที่จะแย่งเข้าได้ก็จำนนเท่านั้นแหละถ้าไม่จำนนแล้วนะ มันเย่ยงกันลุบตุบับกันทั้งนั้ น, นะรับรองตีกันฆ่ากันแกงกันอุตรุดไม่หมดน่ะเนีเพราะงั้นผู้ใดที่มีเรี่ยวมีแรงมีความรู้ความสามารถบ้างนาโอ้เป็นตัวการอยู่ในสังคมนะจะทำงานกับสังคมนี่แหละเป็นตัวอ้างแต่แท้จริงแล้วก็คือทำเพื่อที่ตนเองจะได้ประโยช น, น์ทำเพื่อตนเองจะแย่งจากสังคม อาตมาพูดแล้วเหมือนมองโลกในแง่ร้ายเหมือนไปใส่ใครใส่ความเหมือนหาเรื่องแต่ความจริงแล้วที่อาตมาพูดนี่คือจิตลึกๆคนเป็นเช่นนั้นที่ยังอวิชชายังไม่รู้ถึงธาตุแท้ของจิตตนเองนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะงะั้นถ้าเผือว่าผู้ใดได้เรียนรู้ได้สานึกได้เข้าใจแล้วแล้วก็ลดลง พอพยายามที่จะลปล่อยเลิกไม่แย่งไม่ชิงลงมามันก็เกิดนะคุณค่าของสังคมแต่ถ้าเผื่อว่าไม่สัมมาทิฏฐิมันไม่เกิดคุณค่าต่อสังคมมันเป็นเพียงแต่ว่ามันลดการแย่งตัวเองเลิกแย่งหรือลดแย่งออกจากสังคมบ้าง อยางที่เข้าใจกันเนี่ยวปฏิบัติธรรมต้องนี้ออกไปสู่สังคมว่ไม่ใช่หนีออกไปสู่ป่าเขาธรรมออกจากสังคมไปก็เลยลดตัวแย่งลดตัวแย่งในสังคมลงไปบ้างเท่านั้นเองแต่ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อสังคมเลยไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนของพระพุทธเจ้านั้นปฏิบัติธรรมไปตามลําดับเบื้องตน้นไม่ได้ไม่ได้หนีไม่ได้ เป็นผู้ไม่ทำประโยชน์ต่อสังคมยังทำประโยชน์ต่อสังคมและลดการแย่งฟังให้ชัดๆจะเข้าใจดีว่ามันมีทิฏฐิหรือทฤษฎีหรือมีอุดมคติมีปรัชญาของศาสนาพุทธชัดกว่ากันสมบูรณ์ือกันมีคุณค่ายิ่งกว่ากันถ้าไม่สมาธิมันก็เอาแต่หนี ไม่แย่งสังคมจะไม่มีประโยชน์ต่อสังคมส่วนพุทธนั้นไม่ได้หนีจากสังคมยังอยู่ในสังคมไม่ได้หนีจากสังคมยังอยู่กับสังคมทำงานอยู่กับสังคมแต่ยศไม่ใช่ลดไม่ใช่ลดไม่ใช่บอกยศแต่ลดการแย่งลดการแย่งสังคมลงไป เป็นกรอบๆเป็นกรอบๆมันมีกรอบให้ทําให้ปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยลดลงไปลดการแย่งและอย่างประพฤติประพฤติดีลดความแย่งประพฤติลดความแย่งประพฤติเป็นประโยชน์ขึ้นแทนที่จะเห็นแก่ตัวเอาประโยชน์แก่ตัวมาเต็มที่ รุนแรงได้แรงแต่เสียข้อหนึ่งข้อสองเป็นต้นข้อสก็แย่งก็ชิงก็เป็นตัวแข่งอยู่ในสังคมนะแข่งโลกโกรธหลงแข่งราคะโทสะโมหะอยู่กับโลกน่นเป็นตัวแย่งตัวแข่งอยู่งั้นลดลงนะไม่ได้นี้เลยเพราะฉะนั้นจึงมีประโยชน์ต่อสังคมไม่แย่งสังคมและมีประโยชน์ต่อสังคมสุมิชชาทิฐินั้นไม่แย่งสังคมแต่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนี่เป็นเรื่อง รายละเอียดที่ชัดเจนนะทุกวันนี้ยังอาตมาก็ยิ่งเห็นว่าโอ้เมืองไทยเป็นเมืองพุทธมีพุทธศาสนิกชนตั้ง95แต่เข้าใจผิดเข้าใจผิดตั้งแต่กระแสหลักหัวต้นมาเลยนะหัวต้นมาเลยค่ารวมองค์รวมค่าเฉลี่ยทั้งหมดของศาสนาพุทธที่เป็นอยู่อาตมาไม่พูดถึงเมืองนอกนะ อาตมาไม่ค่อยมีความรู้ในเมืองนอกว่ามันมีความจริงขนาดไหนแต่ในเมืองไทยนี่พอรู้นะยิงอายุปานนี้แล้วปาข้าไปทั้งหลักแปดขึ้นหลักทศวรรษที่เแล้วเนี่ยมันต้องรู้แน่นอนนะแล้วอาตมาก็มาทางนี้ด้วยใส่ใจทางาศาสนาทางธรรมะด้วยเพราะรู้ชัดเลยว่ามันมันออกไปทาง เนี่ยถ้าบอกว่าปฏิบัติเพื่อทำเพื่อจะไปนิพพานเพื่อไปสู่โล ก, กุตระไปสู่อริยะความเป็นอริยะี่เป็นเนื้อเป็นแก่นเป็นสาระของาศาสนาแล้วก็ต้องทิ้งสังคมนีสังคมไม่ระลึกถึงสังคมนะไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนี่เป็นความหลงผิดที่เลวร้ายเป็นความผิดที่เห็นผลที่วอกว่าเลวร้ายเพราะมันเห็นผล ผลอะไรก็ทุกวันนี้มันศาสนาพุทธไม่ได้เป็นคุณค่าไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับสตร์กับประเทศเลยขออภัยท่าอาตมาต้องพูดตรงจริงๆมันไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อประเทศเลยมันกลายเป็นเรื่องมันไม่มีมันไม่มีประโยชน์นอกจากไ ม, ม่ประโยชน์แล้วเป็นโทษด้วยปล้นสังคมเอาเปรียบสังคมท่านั้งได้อยู่ใน วงการาศาสนาเป็นผู้ประพฤติ ท, ทางาศาสนาแทนที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมความรู้ที่จะช่วยรังสรรค์ประโยชน์ประเทศชาติบ้างก็ไม่มีไม่มีนะไม่มีและมันซับซ้อนทุกวันนี้ศึกษ า, าศาสนาพุทธนอกจากจะเข้าใจแก่นแท้ไม่ได้แล้ว สร้างการศึกษาใส่เข้าไปในาศาสนาพุทธโดยสร้างเอาเรื่องของความรู้ทางโลกีเป็นวิชาโลกีใส่เข้าไปอีกเป็นตัวแย่งแข่งกันกับพิธีเขาแย่งกันอยู่แล้วซ้อนลาไปอีกเวรเลยนี่คือาศาสนาพุทธที่ไร้ประโยชน์จากความแท้จริงของความเป็นาศาสนาพุทธ เพราะฉะนั้นในทางที่บอกว่ามันเป็นเรื่องลับที่าศาสนาคือพิธีการมั่งก็เป็นเรื่องของเดรชาวิชาไสยศาสตร์ไปเกือบสิน้นประพฤติกันอ่ะข้อภัยวัอรัตมาพูดอย่างเปิดเผยแล้วแรงแรงแรงมากวันเนี้ยมันกลายเป็นในเรื่องของทางด้านสาระทางาศาสนาก็เข้าใจผิดว่านี่คือ คุณค่าทางศาสนากลายเป็นเรื่องเดรัจฉานวิชากลายเป็นเรื่องไสยศาสตร์กลายเป็นเรื่องเทวนิยมไปนะมันไม่ได้มาเป็นอารยธรรมไม่ได้เป็นโลกุตระเลยอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้ไปการทางนอกจากไอ้นั่นเป็นทางจิตวิญญาณไปทางสายศรัทธามันจะเป็นเช่นนั้นพอไปทาง สายปัญญาบ้างเป็นไงก็เอาความรู้ทางโลกวิชาการโลกีเหมือนกับโลกีเข้าไปใส่เลยยิ่งทุกวันนี้โอ้โหยิ่งหลักสูตรหรืออะไรตัวไหแทบจะเรียกว่าใช่เลยเป็นมหาวิทยาลัยเป็นอะไรไรเป๊ะเลยอ่เป๊ะเล ย, เเลยอย่างนี้เป็นต้นอ่ามันก็เลย เป็นพลังงานทางจิตที่จะมีความสัมพันธ์ต่อสังคมที่เรียกอาตมากาลังเรียกความรักนี่ว่าคือความสัมพันธ์เนื้อแท้ของความสัมพันธ์ของสังคมเนี่ยพลังงานที่เรียกว่าความสัมพันธ์ของสังคมนี่แหละคือความรักความสัมพันธ์ของสังคมเนื้อแท้ไขรายละเอียดอยู่ที่สารณยธรรมหแล้วบอกตัวจิตชัด คุณธรรมของจิตชัดๆว่าเป็นความรักอันยิ่งใหญ่ก็คือพุทธพจน์เจ็ดมีสารณียะปิยกรณะปิยคือความรักชัดๆครุกรณะสังหะอวิวาทะสามคียะเอกีภาวะชัดเจนนี่คือเนื้อหาของความสัมพันธ์ต่อสังคม สารนิย่านี่คือความระลึกถึงระลึกถึงมวลมนุษยชาติไม่ได้ทิ้งเลยไม่ได้อยาเอาจิตออกนอกตัวจะไปคิดถึงอะไรต้องหยุดต้องนิ่งต้องสงบไม่ใช่เลยความสงบพระพุทธเจ้าไม่ได้ไ่นั่งหยุดจุดคิดยุดอะไรไม่ใช่ความสงบพระพุทธเจ้านั้นให้รู้กิเลสแล้วก็ฆ่ากิเลสให้ตายกิเลสตายลงไปก็คือสงบมันลดพลังงาน กิเลสลงไปเรื่อยๆก็คือสงบลงไปตามลําดับพอกิเลสมันตายเลยนั่นก็คือสงบจิตสงบแต่พลังงานของจิตมันกลับแคล่วคล่องว่องไวเป็นกรรมมัญญตานะเป็นกายะกรรมญตาเป็นกายะปาคุญยตายิ่งคล่องแคล่วว่องไวตาดเปรียวทํางานได้ดีเลยนะเวทนากระครองแคล่วสัญญาก็คล่องแคล่ว สังขารก็คล่องแคล่วนี่เป็นคุณสมบัติของกองขันเจตสิกหมวดเจตสิกต่างๆที่เป็นกายกรร ม, มัญตาหรือกายปาคุญญตา เ, ออเพราะเมื่อเข้าใจสภาวะหรือเข้าใจความหมายทฤษฎีของพระพุทธเจ้าผิดไปยึดแต่พยัญชนะที่เพินเพิ่ น, นตื่นแล้วก็ออกนอกทิศนอกทางไป มันจึงไม่เกิดคุณค่าไม่เกิดคุณธรรมที่เข้าสู่สัจธรรมของพระพุทธเจ้ากันนะนรสารณียะระลึกถึงก็ไม่มีปียกรณะก็ไม่รู้จักเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นก็เละเลยเรื่องความรักเพราะเขาไม่เอาแล้วความรักอะไรแด่ไม่รักเลยเพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่ารักหนึ่งทุกหนึ่งรักสองทุกสองรักร้อยทุกร้อยอะไรเนี่ยรักพันทุกพันถ้าไม่รักเลยเราไม่ทุกเลยอะไรเนี่ย มันก็มีคำสอนอย่างนี้อยู่มันจึงย้อนแยงและมันจึงซับซ้อนมันก็เข้าใจยากนะถ้าความรักที่มันเป็นความรักในมิติที่เลวร้ายเป็นความผูกพันเป็นความรักอย่างมีโมหะความรักอย่างมีอวิชชาแน่นอนมันก็ทุกข์ทั้งนั้นนะ่ะนะทุกข์ทั้งนั้นนะ่ะ ถ้าเผื่อว่าไม่เข้าใจแล้วมันก็จะย้อนแยงในคําสอนพระเจ้าอีกแล้วว่าสารณิยะปิยการณะเอา้าไม่ให้รักทําไมเล่าก็ในบอกว่ารักแล้วมันทุกข์มาให้รักทําไมมีจิตมีปิยการณะได้ไงก็ย้อนแยงกัน เ, เข้าใจคําสอนพระเจา้จาไม่ได้นะเพรา ะ, ะจิตที่รู้จักพลังงานของจิตที่มีสารณิยะก็ปฏิบัติผู้บรรลุแล้วก็ปฏิบัติถูกหน้าที่ แม้แต่โซดาบานก็ปฏิบัติอย่างนี้มีสารณิยะไปตามลำดับไม่ไดท้ทอดทิ้งอะไรนะมีปิยกรณะมีขรุกรณะมีสังหะเกื้อกูลช่วยเหลือเฟือฟ้องฟายผูคนสงเคราะห์กันช่วยกันนะอวิวาทะ ไม่มีการทะเลาะเบาแวงไม่ทําเรื่องเร็วเรื่องร้ายเรื่องที่จะต้องทุกร้อนอะไรเพราะว่าทุกอยู่ในตนก็มากอยู่แล้วยังไปหาทุกทับถมตนซ่อนขึ้นมาอีกก่อวิวาทอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกมันก็โง่ไม่เสร็จกันอยู่นั่นแหละสามคียะพร้อมเพรียงกันเอกีภาวะเป็นปึกแผ่นนี่คุณสมบัติของพลังงานจิตหรือจิตมีคุณสมบัติที่มีพลังงาน สมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบเลยทั้งเจชนิดเนี่ยมีคุณลักษณะที่ถ้าเข้าใจแล้วโอ้โหเมือ่อปฏิบัติเป็นอรหันต์ก็คุณสมบัติทั้งเจครบเลยมากน้อยแล้วแต่บา ร, รมีของแต่ละบุคคลแต่ละบุคคลมีบา ร, รมีเท่าไหร่ก็มีความมีคุณสมบัติของคุณธรรมอันนี้มากน้อยเหมือนกันนี่คือความสัมพันธ์หรือความรัก นะอัตมาพูดไปแล้วก็อธิบายไปแล้วก็รู้สึกว่าไม่เก่งอัตมาอธิบายไม่เก่งรู้สึกมันยังอธิบายไม่ค่อยออกไม่ค่อยครบไม่ค่อยจะบริบูรณ์เลยในความหมายที่ควรอธิบายรู้สึกว่าแหมมันก็ได้ขนาดหนึ่งแต่มันไม่ครบความจริงไม่ครบสัจจะที่มันลึกซึ้งสมบูรณ์แบบไม่เก่งนิรุติปฏิพาน ในการบรรยายในการพูดมันเอาเอาละได้เท่านี้ก็ว่าเท่านี้ไปก่อนแต่รู้สึกตนเองนะรู้สึกอย่างนี้รู้สึกว่ามันมันน่าจะมันมีคุณสมบัติและคุณค่าของความรักของพระพุทธเจา้าความรักที่ท่านหมายพลังงานชนิดที่สมบูรณ์แบบของท่านมันยิ่งใหญ่ที่พูดไปแล้วเนี่ยมันพูดไม่ค่อยออกไปอธิบายความจริงให้สมบูรณ์ได้เลยมันทาไมมัน นิดๆหน่อ ย, อ ย, ยอๆเยาะๆแยะๆอยู่มันไม่ไปแล้วไม่ออกสมบูรณ์อะไรเลยนะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเอาละได้เท่านี้ก็คงพอพอรู้เรื่องเนา ะ, ะพอรู้เขาๆ น, ะ, นะมันได้แค่นี้เอาแคน่นี้ก่อนมันไม่เก่งจริงๆน ะ, นะเพราะในความรักในระดับที่หเนี่ยเป็นความรักที่เป็นสากลเป็นความสัมพันธ์ที่มันสากล เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นจักรวาลนิยมที่อาตมาตั้งชื่ออีกอันหนึ่งสากลนิยมหรือจักรวาลนิยมเป็นความรักที่แผ่กว้างไปสู่มวลมนุษยชาติไม่ได้กําหนดเชื้อชาตินะมิติที่ห้านะชาติรัฐนิยมนิยมชาติชาติชาตินิยมชาตินิยมรัฐนิยมนิยมอยู่ในกรอบขอบเขตของชาติเราประเทศเราเป็นชาตินิยมแต่คำว่าชาตินิยม รู้รู้กันใช้กันอยู่แล้วภาษานีนะส่วนมิติที่หกเนี่ยมันเปิดเหมือนเขากำลังจะเปิดเอเชียนกว้างขึ้นไปแต่เอาภาคเดียวก่อนภาคเอเชียเอเชียอย่างนี้เป็นต้นก็เปิดสัมพันธ์กันให้กว้างเกื้อกูลให้กว้างโลกเขาเขเข้าใจนะใช่ไหม ฟังดูโลกเขก็เข้าใจว่ามันต้องสัมพันธ์กันน้ามันต้องมีอะไรเกื้อกูลกันเผื่อแผ่ช่วยเหลือกันใครตกทุกข์เดือดร้อนอะไรก็ช่วยกันมันเป็นอัตมาว่ามันเป็นคํามันเซนนะคามันเซนนะพูดยางไทยๆไงนะคำมันเซนต้องพูดให้ชัดต้องบอกกรรมมันกรรมมันเซน มันเป็นคำมันเซนมันคำมันเมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นอย่างนั้น่ะมันมันไม่ได้เรื่องลึกลับอะไรคนก็รู้แต่จะมีทฤษฎีหรือมีวิธีการที่จะสร้างความจริงให้มันเกิดจริงได้ทั้งใจทั้งกายทั้งข้างนอกข้างในครบสมบูรณ์ได้ไหมอยู่ตรงนี้ต่างหาพราะฉะนเรื่องสามัญสำนึกของคนคำมันเซนเนี่ก็คือเรื่องสามัญสำนึกของคนมันพอเข้าใจ มันเป็นเรื่องดีมันไม่ใช่เป็นเรื่องนอกนอกความเป็นคนนอกความเป็นสังคมอะไรหรอกมันเป็นความเป็นสังคมเป็นสามัญแต่เป็นสามัญที่จริงเป็นความเห็นแก่สังคมที่จริงเกิดอกูลสังคมที่จริงเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่ามีพลังงานสัมพันธ์ที่เห็นแก่ตัวน้อยลงน้อยลงน้อยลงเห็นแก่วงแคบเห็นแก่ตัวแล้วก็เห็นแก่ครอบครัว เนอะไแกะอะไรได้ขยายขึ้นมาถ้าไม่ขยายก็แคบอย่างที่อาตมาไล่มาจากมิติที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้ามาแล้วด้วยก็ขยายขึ้นมามันก็เป็นสัจจะนะมันก็เป็นสัจจะเป็นสิ่งที่ประเสริฐของพลังงานพลังงานทางจิตของมนุษย์น ะ, นะพูดไปนี่เข้าใจง่ายเข้าใจไม่ยากใช่ไหมแต่จะปฏิบัติได้ไหม เราจะประพฤติได้ไหมนี่ยากนะประพฤติจริงจรงจๆยากนะเพราะว่าความหวงแหนความเกี่ยวเกาะความที่เห็นแก่เห็นแก่ตามกรอบที่เรายังอยู่ในกรอบของแต่ละมิติมิติเนี่ยเทนะ่าเาอยู่แค่มิติที่หนึ่งก็แค่นั้นน่ะโอ้โหอันอื่นยากมิติที่สองก็อ า, อาจจะกว้างขึ้นมาหน่อยก็แค่นั้นน่ะอย่างนี้เป็นตน้นมิติสามก็กว้างขึ้นมาหน่อย เพราะพฤติกรรมอันนี้มันก็เกิดจากความจริงจิตมันมีคุณสมบัติจิตมันมีคุณธรรมที่จริงจริงขนาดไหนจริงอย่างไรนั่นแหละมันก็เป็นความจริงันนั้นอันนั้นอันนั้ น, น, นที่สามารถประพฤติจริงปฏิบัติจริงมีพฤติกรรมของแต่ละคนที่บรรลุธรรมหรือสามารถประพฤติอย่างที่เป็นจริง ตามความจริงคงตนได้นะก็จึงจะเป็นเช่นนั้นนะมิติที่หนีนะ้เราอ่านดูแล้วก็ลองขยายความดูเพราะจะเป็นมิติที่คงจะต้องอาศัยการอธิบายกว้างเพราะมันเป็นความรักที่เกือกว้างเป็นธรรมดาที่ยังไม่เข้าหาจิต ถ้ามิติที่เจแล้วก็อันเดียวกันนี่แหละก็หแต่มันต้องอธิบายมันต้องขยายผลไปถึงขั้นจิตจิตที่บริสุทธิ์จิตที่มันไรตัวตนขึ้นไปเลยมิติที่7นะแต่ถ้าเผือว่าไม่ศึกษาตามลักษณะที่เป็นทฤษฎีหลักเหมือนของพระพุทธเจ้ามันก็จะไม่ปราศจากตัวตนได้ แต่คุณสมบัติคุณสมบัตินะยังขอข้ามไปอธิบายขยายความมิติที่เจ็ดอีกนิดนึงคุณสมบัติของมิติที่เจ็ดคือความรักของพระเจ้านะเป็นความรักในระดับปรมา ต, ตมันนิยมหรือเทวัิยมเป็นความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่รักมวลมนุษยชาติรักหมดเลยนะแต่ไม่รู้เรื่องของตัวเอง ไม่รู้เรื่องของตัวตนเพราะนั้นจึงไม่มีคุณสมบัติของความเป็นสัพปริสธรรมเจ็กครบไม่รู้ไม่รู้ความเป็นปริสัพปริสธรรมเจ็ครบเพราะฉะนั้นมันจึงไม่สะอาดบางทีมันก็เลยเถิดรักหมดมนุษยชาต์เกินไปมันไม่ไม่ไม่มีการประมาณมันไม่มีสัดส่วนของอัตตัญญาตาเพราะมันไม่รู้ครบ ถ้ามัุตาอัตัญยุตาไม่รู้ครบอัตัญยุตาก็ไม่รู้ครบรางการประมาณไม่ไม่พอเหมาะพอสมไม่ไม่ไม่เขาเขาขีดเขาขันที่ควรนะมันไม่สมบูรณ์มันไม่สมบูรณ์มันไม่ครบสมบูรณ์ของพระเจ้านั้นครบสมบูรณ์โดยเฉพาะเรื่องตัวสำคัญที่เป็นอัตตาหรืออัตตาอัตตะอัตัญยุตตาตัวเราเองเนี่ยแล้วก็ เปลี่ยนตัวเราเองเนี่ยลดออกอย่างถูกเหตุเหตุปัจจัยเลยมันก็จะสมบูรณ์นะล อ, องอา่านดูเอาจากเล่มเก่าก่อ น, นเล่มเก่าเอาเล่มเก่าไม่ติดที่หเป็นความรักที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกกว้างไกลแพ่ขยายยิ่งขึ้น และมีค่ามหาศาลทำได้ยากเพราะเป็นความรักแบบสากลนิยมคือความรักมวลชนทุกชาติที่เป็นมนุษย์ด้วยกันเป็นความรักมวลชนทุกชาติที่เป็นมนุษย์ด้วยกันไม่จำกัดเชื้อชาติไม่จำกัดผิวพธุ์ไม่ว่าผิวแดงผิวขาวผิวดำผิวเหลืองไม่จำกัดท้งด้านชาติไหนเราก็ช่วยได้หมดถ้าตกทุกข์ได้ยากก็ช่วย คนผู้ใดได้ทุกเราก็จะช่วยให้ได้รักให้หมดเกื้อกูลให้ได้เป็นความรักที่กวา้างดีไม่ดีตัวเองตายเอาง่ายๆเพราะว่ามันมันรักเขามากเกินมันไม่รู้จักตัวเองมันไม่รู้จักการประมาณมันไม่รู้จักสัดส่วนที่พอเหมาะนะถ้าผู้ใดมีความรักอย่างนี้จริงและสามารถที่จะทำนะ ทำงานทำมาหาเงินอะไรเป็นเศรษฐีใหญ่ก็จะเพื่อแพ่ไปสู่ปวงชนในกว้างขวางไปเลยทีเดียวะจะเพื่อแพ่ไปอันนี้ยกตัวอย่าง r o c k ก f e เฟ e r อย่างนี้เป็นต้นมีความสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาจนมั่งคั่งรำ่ำรวยด้วยวัตถุสมบัติมากมายแกก็จัดตั้งมูลนิธิขึ้นช่วยเหลือคนในานานาประเทศอย่างในประเทศไทยนี่มีสถาบันทางการศึกษาหลายแห่งที่ได้รับการช่วยเหลือจากมูลนิธินี้เป็นต้นนะ มหาวียลัยมหยิดลหรือว่าได้รับทุนในการจัดตั้งขึ้นมาจากมูลที่นี้ต่างๆนานา น, า น, า น, า น, านี่ก็อาตมาอธิบายแต่แต่ตอนโน้นก็อธิบายความนี่ก็เป็นคุณงามความดีส่วนตัวของ r o c ก y f ้เ l ล r ซึ่งอาตมายกตัวอย่างขึ้นนี่ก็พเพื่อจะให้ทีเห็นการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเออืเฟื้อเผื่อแพรทางด้านวัตถุทรัพย์สิน ให้แก่มวลมนุษยชาติาไม่ได้หมายไม่ได้เกี่ยวกับบุคคลไม่ได้เกี่ยวกับเชื้อชาติและไม่ได้เกี่ยวกับรัฐธธิี่ผู้ใดหลงรัฐทียึดรัฐทีอยู่พยายามอย่างสัจจะที่อาตมาหมายเอานี่ดีๆเพราะว่าความรักมิติที่6นี้ขยายแวดวงออกไปกว้างไกลสูมมวลชนอันไพศาลไม่เกี่ยวกับบุคคลหรือว่าเชื้อชาติแล้ว แต่ว่าถ้าหากว่าจุดมุ่งหมายของโรกิเฟลเลอร์มีการแอบแฝงอยู่นี่นยะสำคัญถ้าโรกิเฟลเลอร์นี่มีการแอบแฝงอยู่คือความมุ่งหมายหวังผลประโยชน์ทางการเมืองแล้วแล้วก็คุณค่าของการเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ ก, ก็ลดลงอยู่แค่ระดับมิติที่4หรือหเท่านั้นเพราะกลายเป็นความรักมิติ ระดับสังคมนิยมหรืชาตินิยมไปสละไม่ใช่สากล น, นิยมแต่ถ้าช่วยเหลือโดยบริสุทธิ์ใจโดยไม่ได้ต้องการผลตอบแทนอะไรเลยก็เป็นตัวอย่างของคุณธรรมที่สูงส่งน้อยคนนักที่จะทํากันนะเพื่อแผ่เกลือกว้างออกไปเลยเป็นประโยชน์ไม่ได้กําหนดเพราะคนที่จะให้ทุนนอ้ร้อนจะต้องมีผลประโยชน์ช่วยคนแล้วก็มีความรู้ทางสังคมโลกเขากว้าง มนุษย์ชาติที่จะควรจะช่วยเหลือยื่นมือไปช่วยเหลือใครก็แล้วแต่ชาติไหนก็ตามที่เป็นคุณค่าประโยชน์ที่ควรไม่กำหนดอยู่แต่เฉพาะคนในประเทศเท่านั้นนี่ก็เป็นความรักในมิติที่หกออกไปเกลีกว้างต่อความเป็นมนุษย์ผู้ที่ควรจะได้ช่วยเหลือช่วยไปทั้งหมดนะอย่างในประเทศอินเดียก็มีมีเศรษฐีใหญ่ เยอะในในประเทศอินเดียมีเศรษที่ใหญ่เยอะไม่ยอมทําแต่ก็ไม่ยอมทําไม่ยอมเสียสละทั้งที่ประเทศของตนก็ขาดแคลนที่รวยมากที่สุดก็คือมหารายาสร้างปราสาทอยู่บนยอดเขาเพราะเขามีเพชรนินจินดามีข่ามหาสาลตกทอดม า, มาตั้งแต่บรรพบุรุษมากมาจริงๆแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ยังมากแต่ไม่มีใครสามารถไปแกะเอาความขี้เหนียวของเขาได้ ทรัพนะสมบัติของเขาจึงไ ม, ไม่มีประโยชน์ใดๆต่อโลกบุญของเขาจึงไม่เป็นบุญคุณต่อใครเลยนอกจากจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยวัตถุสมบัติแล้วกำลังกายกำลังใจกำลังสมองนะก็เป็นสิ่งที่สามารถที่จะเผื่อแพ่บำเพ็ญประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติได้เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่มีกำลังทรัพ หรือวัตถุช่วยด้วยกำลังกายก็ได้ไม่ต้องเกี่ยงเชื้อชาติหรือเผ่าพันธ์เสียสละเข้าไปอย่างเช่นเชโกเวราอย่างนี้เป็นตน้นนะไปช่วยชาตินี้ประเทศนั้นที่ด้อยพัฒนาช่วยเสร็จแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ไปช่วยประเทศอื่นอีกนี่ไม่ได้ช่วยด้วยทุนทรัพย์ทางวัตถุแต่ช่วยทางด้านแรงกายแรงใจนะ ตัวอย่างที่เป็นอยู่อย่างนี้แหละอย่างที่เชโกเวราทำอย่างนี้แหละจัดอยู่ในความรักมิติที่ 6. หรือจะช่วยด้วยกำลังความคิดช่วยด้วยแรงปัญญาโดยการคิดค้นวิหาวิธีการที่จะสร้างสรรสันติภาพช่วยให้ประชาชนได้อยู่เย็นเป็นสุขไม่แย่งชิงกันไม่เอารัดเอาเปรียบกัน ลดความเห็นแก่ตัวลงมาหาทางจะ ก, กระจายทุนกระจายงานกระจายผลกระจายอำนาจหรือว่าเอื้อเฟือเผือเ่อแผ่กันการช่วยอย่างนี้ก็เป็นความรักในมิติที่หนะเช่นเดียวกันนะเป็นประโยชน์ต่อโลกต่อชุมชนขอบเขตแวดวงของความรักในมิตินี้เติบโตกว้างใหญ่ไพสารออกไปมากซึ่งสัดส่วนของความทุก ที่จะต้องแบกแน่นอนก็ยอมเพิ่มมากขึ้นตามปริมาณของความรักมันช่วยกว้างนะเนาะช่วยเยอะช่วยมากขึ้นมันก็ต้องเป็นภาระเรื่องเป็นงานที่หนักขึ้นแน่นอนแต่เอาเถอะถ้าคุณจะมีความรักอย่างนี้ทุกอย่างนี้ก็ไม่หวาเพราะมันเป็นประโยชน์ทำได้ก็จงทำเถอะ ความรักแบบสากรในยมนี้ทําได้ยากขึ้นจึงมีค่ามากขึ้นในมิติที่หนี้มีปริวัติสองรอบแล้วฟังดูให้ดีๆนะอัตอมากําลังจะจํากัดลงไปว่าปริวัติหมู่ที่หนึ่งหนึ่งสองสามเนี่ยมิติที่หนึ่งมิติที่สองมิติที่สามในหมู่หนึ่งนะ ยังจำกัดขอบเขตอยู่แต่แค่ตระกูลหรือวงศาคนาญาติส่วนปริวัตหมู่ที่สองคือมิติที่4ห้าหอีกส 1, 2, 3สองสเนี่ยอยู่แต่มวลวงศาคนาญาติพอถึงสี่ห้าหนี้เริ่มแผ่ขยายกว้างขวางขึ้นจนถึงมวลชนอันไพศาลเสียสละมากแล้วแต่ยังไม่บริสุทธิ์หมดจดนัก เพราะว่ายังมีการแบ่งแยกเป็นมิตรผู้ยากไร่ก็เห็นแก่ผู้ใดยากไร่ก็เห็นลำเอียงไปบ้างก็เองเอียงเข้าข้างจนทําให้ดุล ย, ยภาพแห่งสัจจะมันเสียแบ่งแยกเป็นศัตรูผู้กดขี่ก็โกรธก็แค้นก็ชังด้วยปัญญาที่ยังไม่ถึงขั้นอภินญาอภิปัญญาซึ่งยังเป็นการจ ำ, จำกัดแวดวงของความรัก ไม่ให้ไม่ให้แผ่ขยายไปสู่สันติภาพอันบริบูรณ์และจะไม่ถึงความสมบูรณ์อันคงทนหรือเที่ยงนานได้นี่ความรักมิติที่หในเล่มแรกที่บรรยายปากเปล่าสดสดที่นี่เล่มสองที่เขีย น, นที่เขียนโดยตรงเลยลองอ่านดู ห น, หน้าเดียวหน้าเศษเศษหน้ากระสึกหนึ่สนสามของหน้าเศษหน้าหนึ่งก็เศหนึ่งส่วนสามของหน้านะิติที่หคือความรักมวลมนุษยชาติทุกชาติทุกภาษาที่เป็นมนุษย์ในโลกไม่จำกัดเฉพาะในชาติของตนเท่านั้นยิ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นความรักความปรารถนาที่แผกแกว้างเกือ้อ กูลออกไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในด้านรูปธรรมแห่งมวลมนุษย์เพราะเป็นความรักที่เผื่อแผ่ต่อมนุษยชาติไปทั้งโลกไม่จำกัดผิวพันเพศพันใบเชื้อชาติชั้นวรรณะกันละเป็นความรักระดับโลกโลกาพิบาลทีเดียวคือรักปรารถนาให้จะให้แก่ทุกคนเป็นอุดมการณ์ที่สูงส่งยิ่งและสหรับมนุษย์ที่พึงจะกระทำพึงแสดงออก ทางรูปธรรมหากผู้ใดมีจิตใจที่มีความรู้สึกนึกคิดและได้ภาคเพียรประพฤติตามอุดมการณ์ดังกล่าวนี้จริงทําได้เป็นได้จริงก็นับเป็นผู้มีความรักที่มีคุณค่าสูงส่งขึ้นไปถึงกว่ามิติที่หแน่นอนและไม่ใช่เพียงความรู้ว่ามันเป็นอุดมการณ์ที่ดีอยู่แค่นั้นนะหรือไม่ใช่ เพียงเป็นคารมโกโกลีลาเก๋ๆของคนหาเสียงให้ตนเท่านั้นด้วยไม่ใช่แค่นั้นแต่ต้องเป็นความจริงของจิตที่เกิดความรู้สึกรักและปรารถนาตามอุดมการณ์นี้แท้ๆและต้องมีสมรรถนะสมคลอยสอดคล้องด้วยที่มีน้ำหนักหรือว่ามีความเข้มข้นของน้ำใจดึงน้ำใจในดึงจิตจริง และประสิทธิภาพมากยิ่งเท่าใดเท่าใดก็ยิ่งประเสริฐสูงส่งเลอเลิศยิ่งยิ่งเท่านั้นเท่านั้นและจะจริงยิ่งหากคนผู้นี้พมีพฤติกรรมภาคเพียรพยายามกระทำเพื่อให้เกิดผลตามอุดมการให้ได้จริงที่สุดจะจริงสมบูรณ์ทิเดียวถ้ามันถาน้าแม้พระผู้นี้มีความรักนั้นบริสุทธิ์จากจากความแฝง บริสุทธิ์จากความแฝงเพื่อผลประโยชน์ให้เกิดลากยศสันเสริญสุขแกตตนซึ่งเป็นความเจริญของความรักความปรารถนาดีอย่างเห็นได้ชัดขึ้นไปอีกว่าเป็นคุณค่าของมนุษย์เป็นมนุษย์เป็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์อย่างจริงจังแน่แท้ความรักในระดับมิติที่6นี้เรียกว่าสากนิยมหรือจักรวาลนิยมก็เป็นความรักที่มีคุณค่าประเสริฐสูงส่งขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้น ที่ผู้มีปัญญาสามันก็พอเข้าใจได้แต่ว่าความจริงที่จะเป็นไปได้จริงมีสมรรถนะถึงขั้นจริงนั้นก็หายากยิ่งขึ้นไปเรื่อยส่วนมากก็มีแต่อุดมการแต่เป็นจริงยังไม่ได้และพูดคุยโว้โอวดจนกลายเป็นคนหลอกลวงชาวโลกไปก็มีมากมายนะมันเป็นดูประจาเป็นดูเรื่องเกเรื่องเท แต่พอเอาเข้าจริงแล้วแฝงความหลอกคนอื่นก็ได้มากมายในความรักมิติที่หขยายความขึ้นไปอีกความรักมิติที่หนี้ถ้าศึกษาตามนัยยะของพุทธเราจะไล่มาเรื่อยมิติที่หนึ่งเราก็ลดลงไปจริง ะนันคุณสมบัติหรือคุณธรรมคุณค่าของจิตวิญญาที่มันมีตัวจริงที่มันลดความเห็นแก่ตัวและมันก็เห็นแก่ผู้อื่นจิตที่มันลดความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ผู้อื่นอย่างมีระบบมีสมรรถนะมีความเป็นจริงของพลังงานทางจิตจริงมันก็จะเกิดทั้งพลังงานทางเจโตพลังงานทางเป็นแรงกลเป็นแรงงานทางแรงกล กับพลังงานทางปัญญาพลังงานทางปัญญาก็เป็นแรงงานทางรู้รอบเข้าใจมีปฏิพารรอบในความเป็นสังคมมนุษย์ชาติจริงๆก็คือมีความรู้ในเรื่องของสัพุริสธรรมขยายขยายตัวขึ้นตามภูมิธรรมถ้ามีความจริงมีความเป็นจริงจากมีความรัก สูงขึ้นไปจากมิติที่หนึ่งเป็นมิติที่สองก็มีคุณธรรมที่มีทั้งเจโตและปัญญาที่มีพลังงานสองอย่างของพุทธจะมีสองอย่างเลยเจโตก็เป็นพลังเหมือนต้นกล่นเป็นพลังงานขับดันส่วนพลังงานทางปัญญาก็เหมือนต้นหนกับตันทางปัญญา รู้รอบรู้ปัญญาทำงานร่วมกันสูงขึ้นเพราะยังประสิทธิภาพในการเรียนรู้ตามลาดับของพระพุทธเจ้านี้ความรักมิติที่หนึ่งพอลถลงไปได้ก็จะเจริญขึ้นไปทั้งสองอย่างนสมมิติที่สองมิติที่3มมิติที่ที่ห้าที่6พอถึงมิติที่6เราจึงจะเจริญเป็นความจริงที่ไม่มีอะไรซ่อนแฝงและไม่สับสน รู้อัตตารู้กิเลสรู้ระดับแล้วก็ละไปจริงล้างสิ่งที่มันเป็นตัวตัวทวงตัวฉุดตัวที่ไม่สับสนและสะอาดสะอ้านไปตามลำดับจริงๆมันจึงเป็นคุณสมบัติหรือคุณธรรมที่ที่วิเศษนะครับะุเจ้ามันตั้งเป็นจริงแล้วมันทั้งไม่เลอะเละเทมัวมหม่นหมนมองๆกลับไปกลับมาวกๆวนๆเลยไม่ไเป็น มันไปตามลําดับที่ลาดลุ่มเหมือนฝั่งทะเลดังที่ท่านตรัสมันไปอย่างเรียบลําดับที่ครบพร้อมดีงามนะเพราะนถ้าเผือว่าปฏิบัติตามธรรมพระพุทธเจ้าแล้วมาถึงมิติที่หกเนี่ยจะเป็นมิติที่ถ้าเป็นยุคนี้นะโอ้โหคนที่มีคุณสมบัติถึงขั้นมิติที่6เนี่ยเป็นคนที่มีจิตวิญญาณที้สามารถที่จะเกื้อกว้วงเอื้อมเอื้อไปช่วย ช่วยโลกช่วยสังคมมนุษยชาติถึงระดับสากล น, นิยมจักรวาลนิยมนมยี่ไม่ได้เฉพาะอยู่แต่ในประเทศไทยนีย่โอ้โหนะซึ่งจะเป็นประโยชน์เป็นคุณค่าอย่างมหาศาลเลยนะถ้าผู้ใดที่อยู่ในสังคมนีเป็นคนที่มีคุณสมบัตินะ ทางสังคมเป็นคุณสมบัติทางสังคมเก่งมีความรู้มีความสามารถมีพฤติกรรมต่ า, างสังคมอนะ่แล้วก็ทํางานทางสังคมมาแล้วมีจิตตัวนี้จริงมีคุณสมบัติอย่างนี้จริงถ้ามีคุณสมบัติถึงขั้นมีความรักในระดับมิติที่6นี่นะโอ้โหจะดังทั่วโลกจะประเสริฐเลิศเลอ ถ้ายิ่งเป็นแบบพุทธเลยเนี่ยไม่สะสมไม่ทําประโยชน์เข้าข้างตัวเองเข้าเพื่อุมเพื่อมูเพื่อแม้แต่ประเทศตนเองโอ้โหรับรองเลยว่าเป็นรัฐบุรุษเอกของโลกรัฐบุรุษเอกของโลกนะั้นไม่ใช่แต่เป็นของรัฐบุรุษของประเทศเท่านั้นนะโลกยกย่องให้เป็นรัฐบุรุษเลยไม่ใช่เป็นรัฐบุรุษของประเทศเท่านั้น เพราะเห็นแก่มวลมนุษยชาติอย่างสมบูรณ์เลยเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าอธิบายอย่างพุทธแล้วแล้วก็นะพอถึงมิติที่หเนี่ยถ้าไปถึงมิติที่เจจริงๆแล้วเป็นมิติที่ครบเลย 8, ปดเก้าสิบนี่คือสมอันที่เป็นของพุทธก็คือหนึ่งถึงเจ็นั่นแหละ ก็ยังำบรบูรณ์ถึงอันที่เจ็ดเลยก็คือสมบูรณ์แบบเลยจิตเป็นจิตพระเจ้าเลยและของพุทธเป็นจิตพระเจ้าที่รู้จักอัตตารู้จักปรมา ต, ตามันหมดตัวตนของพุทธใช่แต่ถ้าของเทวานิยมเขาไม่รู้จักอัตตาเขาไม่รู้จักตัวตนเขาไม่รู้จักส่วนเหลือส่วนเหลือส่วน ทุดีละอองที่มันจะมีอะไรต่ อ, อะไรและมันก็ไม่เป็นลำดับไม่เป็นลำดับไม่เป็นขั้นเป็นตอนเมืองเมืองของพุทธนั้นถ้าบอกว่าเป็นจิตพระเจ้าพระอระหันตุกองนี่คือถ้าอธิบายอย่างาศาสนาคริสต์หรือาศาสนาอิสลามศาสนาเทวนิยมก็คือผู้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้า มิติที่ 7, เ, นน เ, เจผูเจญญเ 7, จ้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้าถ้าอธิบายอย่างพุทธเลยผู้ที่มีจิตวิญญาณเป็นมิติที่เจก็จบละเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้าก็เป็นข้อแม้แต่เพียงว่าถ้าเป็นพุทธก็เป็นผูท้ที่รู้ระดับนนหนึ่งหนึ่งสองสะอาดบริสุทธิ์จริง สามรู้จักการประมาณไม่สุดโตงไม่เลยเถิดรู้จักสัดส่วนที่พอเหมาะพอดีอันนี้สำคัญมากนะเป็นหัวใจของาศาสนาพุทธด้วยที่เรียกว่าเขาแปลเป็นภาษาที่เชยเชยเขาเรียกว่าเชยแปลภาษาว่าทางสายกลางนั่นแหละพุทธ นะพูดธคือพอหทธใจาศาสนาพุทธทางสายกลางนั่นแหละมันมีความลงตัวในความเป็นกลางที่ได้สัดส่วนอย่างมีเหตุปัจจัยไปสัพพุริธรรมเจ็ดประการที่พอเหมาะทุกเขตปัจจัยทุกสังคมทุกฐานะทุกกลุ่มทุกโอกาสทุกเวลาทุกสัดส่วนเลยซึ่งไม่เที่ยงไม่เท่ากัน ไม่เท่ากันนะมีอนุโลมปฏิโลมไม่เท่ากันหรอกไม่เท่ากันต่างบุคคลบุคลากรประยุน์ตาก็ไม่เท่ากั น, คคกนถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยผู้ที่บรรลุสูงสุดของพุทธนี่นะยอดรลำเอียงเลยไม่เคยเท่ากันเลยรักไม่เท่ากันช่วยเหลือไม่เท่ากัน ก็มันต้องช่วยต่างกันเพราะว่ามันคนละฐานะคนละองค์ประกอบใช่ั้ยคนละเวลาคนละโอกาสคนละสัดส่วนต่างๆนานาสารพัดเลยละเอียดละเอียดลึกซึ้งมากเลยถ้ามองไปในแง่ร้ายจะบอกว่าโอ้พูดอย่างนี้เนี่ยทำอย่างนีน้มันก็กลายเป็นคนที่ไม่มีอคติอะสิ ไม่เป็นกลางเลดิไม่เท่ากันไม่เท่ากันหลอกช่วยก็ไม่เท่ากันเห็นแก่อ น, นั้นเห็นแก่นี้ก็ไม่เท่ากันเพราะแต่ละอันมันไม่เท่ากันไม่มีอะไรเท่ากันประมานูสองตัวเริ่มต้นมีอะไรขึ้นมาเป็นสองสิ่งเริ่มต้นต่างกันแล้วเพราะพระเจ้าจึงสร้างอดัมขึ้นมาสองคนทันทีเหมือนกันหมดเท่ากันเลยไม่ได้ เขบอกสร้างคนขึ้นมาแล้วทำไมไม่สร้างเพื่อนขึ้นมาอีกคนนึงเล่าพระเจ้าก็สร้างเพื่อนขึ้นมาเลยต้องสร้างอีฟขึ้นมาไม่เท่ากันก็พระเจ้าทำไมสร้างอดัมมันก็สร้างเองเลยก็เป็นคนขึ้นมาคนหนึ่งได้บอกว่าสร้างเพื่อนขึ้นมาอีกคนนึงก็สร้างใหม่ขึ้นมาเลต้องไม่ต้องไปเอากิโครงองอดัมมาสร้างเล่ามันมีนัยยะลึกซึ้งสําคัญ ทีบอกว่าสร้างเพื่อนอีกคนขึ้นมาให้เป็นคู่เพื่สีสร้างตระกูลก็ตามเป็นอะไรก็ตามในโลกมันต้องมีสองสร้างอีฟขึ้นมาจึงเอาและขี้โครงที่สร้างนี่นะซี่ที่เจเอาขี้โ ค, ครงในสมุนโบราณเนาะซี่โครงเขาเรียกได้ขี้โครงอ่า อาตมานี่โบราณนะโบราณใหม่เสมอโบราณนวทัตถันปกาธรรมโบราณนวัต์โบราณใหม่เสม อ, นะมมมสมอต้องไปเอาขี้โครงซี่ที่7มาสร้างเป็นคนขึ้นมาให้แกโลกบอกว่าอดัมไม่ทาไมมีโดดเดียวไม่มีไม่มีเพื่อนไม่มีคู่ไม่มีคนช่วยเหลือคนอะไรบ้างเลย พระเจ้าก็ชังกระไสร้างก็สร้างนัยยะลึกซึ้งพวกนี้สำคัญมันเป็นเรื่องจริงที่พระเจ้าจะรู้หรือไม่รู้ก็แล้วแต่แต่พุทธปรูมดทออภัยทะอัตมาเข้าใจแล้วเอามาอธิบายสู่พระคุณฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องสัจจะที่แย้งไม่ได้ในโลกที่มีสิ่งสองสิ่งเกิดมาแล้วไม่มีอะไรเท่ากันมีอย่างหนึ่งเหนือกว่าอย่างหนึ่งแน่นอนมีคนมาว่าอตมาเคยเล่ามาหลายทีแล้ว ก็ต่อว่าพวกต่างประเทศนี่แหละวาศาสนาพุทธนะ่ะขมเพศเพศผู้หญิงขมเพศผู้หญิงไม่ให้เสมอภาคอัตมาก็บอกว่าพูดกับคุณไม่รู้เรื่องหรอกเรื่องนี้ถ้าคุณอยากให้เสมอภาคกันก็ไม่เป็นไรคุณก็ไปจัดการเรื่องพระเจ้าของคุณกันแล้วกันคุณรู้ไหมเราว่าพระเจ้านั้นท่านสร้าง ผู้หญิงกับผู้ชายน่ยท่านสร้างเสมอภาคกันหรือเปล่ากูก็รู้ใช่ไหมเป็นชาวคริสก็ต้องรู้แล้วว่าอาดัมกับอีฟเนี่ยไม่ได้เสมอกันถ้าจะให้เสมอภาคกูก็ต้องไปตกลงกับพระเจ้าก่อนเพราะว่าอีฟใน่อคือแค่ซีโครงของอดัมใช่ไหมล่ะจะเท่ากันได้ยังไงกับเป็นส่วนหนึ่งของอดัมเท่านั้นเอง นั่นมันจะไปเสมอเท่ากันได้ไงแล้วคุณทำให้เท่ากันก่อนที่ทำให้อีฟกับอดัมเท่ากันแลคุณจึงจะมาพูดว่าผู้หญิงกับผู้ชายเท่ากันนะมันไม่ได้เท่ากันหรอกมันหลายหลายอย่างมันไม่เท่าผู้หญิงนะกับผู้ชายนะในสิ่งที่ยืนยันอะไรแต่ละเรืงต่างๆนั้นนาตมาก็ไม่ต้องเล่าไม่ต้องอธิบายแล้วพูดมามากแล้วนะเพราะนั่นตั้งแต่ อนุปรมนณูเล็กขนาดไหนก็แล้วแต่สองสภาวะเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีอะไรเท่ากันหรอกไม่มีอะไรเท่ากันหมดไม่มีเลยไม่มีอะไรมีสิ่งที่เท่ากันโดยที่เรียกว่าไม่มีอะไรประมาณไม่มีอะไรเทียบไม่มีอะไรว่าอยู่อย่างเดียวคือนิพพานคือศูนย์ไม่มีอะไรเลยมาเท่ากันไม่มีอะไรเลยถ้ามันมีอะไรขึ้นมามันไม่มีเท่า เข้าใจให้ลึกๆนะเพราะนั้นคุณระวังเถอะเวลาจะไปนะเอ๊ะทําไมคนนี้อย่างนี้คนนี้อย่างงี้มันจะอย่างนี้อะไรก็มันไม่เท่ากันมันต้องอย่างนี้เน่ยมันไม่เท่าหรอก น, นะเจ้าเราประมาณทำาว่ามันเท่ามันก็เท่าแต่ตอนที่เราประมาณท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วมันเท่าไม่ได้มันไม่เท่ากันนะ เพราะงั้นจึงจัดสัดส่วนผู้ที่สามารถรู้รายละเอียดความพอเหมาะพอควรมันไม่เท่ากันนี่แหละเป็นคนที่ไม่มีอคติแล้วแต่ก็ทำทำตามที่มีปัญญาจริงแล้วก็ทำตามความเหมาะสมนั่นคือความไม่ลำเอียงความนี้เหมาะควรอย่างนี้อย่างนี้ก็อย่างนี้อย่างนี้มีการถ่วงกันมีการดุลอย่างนั้นอย่างนี้กันอย่าง ได้สัดส่วนที่โอ้โหลึกซึ้งซับซ้อนมากชั้นนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าสามารถเข้าใจพลังงานของจิตที่มันสามารถมีประโยชน์เพื่อเฟื้อเจือจานเกื้อกูลนะถ้าเผื่อแผ่ไปสู่ผู้อื่นก็เท่ากับเราลดความเห็นแก่ตัว ถ้าเพืแพ่ต่อผู้อื่นได้กว้างขึ้นตัวเองก็ต้องลดความเห็นแก่ตัวหรือเห็นแก่วงแคบของตนตั้งแต่ครอบครัวลูกเต่าตั้งแก่ญาติโกโยติกาตามมิติไปเรื่อยๆจนกระทั่งมิตรสหายแวดวงของตนก็แผ่ไปเรื่อยจนกระทั่งถึงไม่ยึดแต่แค่เพื่อนภูมิสหายเพื่นเพื่อนฟ อ, อ, ององมิตรสหายออกไปถึง คนทั้งชาติคนทั้งประเทศจากคนทั้งชาติทั้งประเทศออกไปสู่คนที่เป็นผู้เป็นคนทั้งจั ก, กรวาลทั้งสากลนเพราะฉะนั้นภาษาหรือจำนวนฟังแล้วเข้าใจมันก็ชัดแล้วอัตมาว่าชัดพวกเราฟังก็คงจะชัดหรือแต่ความจริงที่จะทำให้ได้ ถ้าทำความจริงได้ก็จบมิติที่หก็ควรจะจบไว้ค่อยขยายความมิติที่เจซ้อนกับมิติที่หในอนาคตน้าคราวต่อไปสำหรับวันนี้ได้เวลาที่จะเปิดเวทีให้แก่ผู้สักใสให้ ถามหรือจะแนะนำหรือจะมีความเห็นอะไรอะไรต่างๆนานาอะไรว่าไปาเป็นเวลาพอเหมาะพอดี <c oughs> อา้าวยกมือแจกไมโครโฟนคาวาสก่อนเอาเด็กๆเด็กๆก่อนนะเด็กๆใครจะถามจะแนะนำจะบอกกล่าวจะมีอะไรให้เลีว้ว โอ้เอามากรองไว้ีนี่หมดไม่เคลื่อนที่เลยไมโครโฟนไม่มีใครเป็นเจ้าหน้าที่เอาใสายส่บังอา้าวลองดูนี่ตอนนี้ขณะนี้ยังไม่ได้ออกอากาศสดๆ เ, เกิดขัดข้องทางเทคนิคอะไรออกอากาศเอาอะไรมาฉายซ้ำนั่นารายการเมื่ อ, อไรไม่รู้ วันนี้เห็นขนเครื่องอะไรแต่ไรมาแงะมางัดอยู่ในห้องทางเทคนิคก็เลยคงยังไม่ค่อยเขา้เขาที่เข้าทางอะไรท่าม <c oughs> เอาขอโอกาสค่ะ ก, กับนวมัสการหลวงปู่แล้วก็นวมัสการสมณะศิขามาจเจริญธรรมผู้ใหญ่แล้วก็สามนึกดีทุกคนค่ะค่ะก็หนูอยากถามว่า บุญกับกุศลมีต่างกันยังไงคะอะไรนะบุญกับกุศลค่ะกุศลกับบุญบุญกับกุศลค่ะต่างกันยังไงคะอ๋อไม่ทำบุญกับกุศลเลยเอาบุญกับกุศลต่างกันนิยามง่ายๆตื่นขั้นต้นกันบุญกับกุศลนั้นบุญเป็นโลกุตระ กุศลเป็นโลกยะบุญนั้นเป็นความหมายของคุณค่าคุณค่าโลกุตระคุณค่าที่กำจัดกิเลสเป็นความดีงามในระดับปรมัทั์ในระดับโลกุตระกาจัดกิเลสนั่นคือบุญบุญมีคำแปลว่า สั้นตานางปุณาติวิสโสเทติปุญญะเนี่ยหรือบุญเนี่ยนี่เป็นรากเงารากเดิมของศัพท์อาตมาก็โชคดีที่ไปเจอรากเงาวันนี้ที่เกือบหายไปหมดแล้วแม่เกือบไม่เจอคลาไม่เจอแล้วเจออันนี้เข้าโอ้โหมันเป็นคารแปลงตัวหรือกลายตัวจงกระทั่งเกือบไม่เหลือเชื่อแล้วนี่ยังเหลือเชื่ออยู่บ้าง กบุญญาเนี่ยแปลว่าสันตานังปุญนาติวิโสเทติแปลว่าเป็นการชำระกิเลสในสันดานอย่างหมดจดนี่คือหน้าที่ของบุญส่วนกุศลนั้นเป็นคุณงามความดีทั้งโลกียะหรือถ้าสัมมาทิฏฐินะมีเงื่อนไขว่าถ้าสัมมาทิฏฐิถูกต้อง ก็สร้างกุศลไปพร้อมกันกับบุญเพราะบุญเนี่ยชำระ ก, กิเลสแบบพุทธที่สมาธิเนี่ยมันเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอาตมาก็เคยอธิบายแล้วเป็นอุปยศธรรเป็นกุศลหรือเป็นมันเป็นประโยชน์เ ป, นเป็นประโยชน์ทั้งสองส่วนเรียกว่าอุปยธัธรรเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไปพร้อมกันเพราะกุศลคือแนวกว้างที่เพื่อผู้อื่น บุญไม่ได้เป็นประโยชน์เพื่อผู้อื่นทันทีเน้นที่ตัวเองเท่านั้นไม่เป็นประโยชน์ผู้อื่นทันทีแต่ถ้าทําได้แล้วเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นทันทีถ้าทําไม่ได้ละกิเลสตัวเองไม่ได้ไม่เป็นผู้ไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นจย่งจริงคนที่ละกิเลสตัวเองไม่ได้ว่าจะทําประโยชน์เพื่อผู้อื่นเนี่ย ไม่จริงหรอกมันมีในแฝนกิเลสมันไม่เล่นน้อยก็เล่นมากกิเลสมันแอบตีท้ายครัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อตัวเองเห็นแก่ตัวเองไม่มากกว่าน้อยมันไม่บริสุทธิ์หรอกเพราะฉนั้นบุญคือการชําระกิเลสจากสันดานทีนี้ที่มัน เสียหายศาสนาพุทธเสียหายก็เพราะว่าบุญนี่เป็นเรื่องของศาสนาพุทธแต่เดิมมาเลยบุญเนี่เป็นเรื่องของศาสนาพุทธเท่านั้นเป็นโลกุตระเพราะศาสนาอื่นไม่มีโลกุตระศาสนาอื่นไม่มีมีแต่ศาสนาพุธทธเท่านั้นมีโลกุตระชำระกิเลสได้มัน อาตมาดีแล้วล่ะถามมา น, นี้อาตมาคดตอบดีๆแต่ว่าไม่ต้องยาวนักมีหลักฐานที่อาตมาเอามาจากหลักฐานที่มีมาอ้างอิงอยืนยันนะพอได้ประเด็นที่หนึ่งคือที่พูดไปแล้วว่าปุญญะในแปลว่าสั้นตาหนังปุนาติวิโสเทตินี่คือบุญบุญคือการชําระเครื่องชําระ กิเลสจากสันดานให้หมดจดให้สะอาดหมดจดนิบุญข้อที่หนสองบุญถ้าผู้ใดที่มีสมาธิิแล้วปฏิบัติเกิดบุญก็จะเกิดส่วนบุญเกิดส่วนแห่งบุญคือส่วนที่เราชาระได้ปฏิบัติสมาธิเทศเริ่มต้นไปตามลำดับตึงต้นตรงกลงปลายก็จะเริ่มมีส่วนแห่งบุญ ปุญญภาคียาหรือปุญญภาคเป็นส่วนของบุญที่เรียกไปในภาษาศัพท์ไทยนี่แหละว่าส่วนบุญส่วนบุญเราไปแบ่งให้กันนั้นแบ่งให้คนนั้นให้แบ่งให้คนนี้นะส่วนบุญนั่นแหละซึ่งมันผิดเพี้ยนไปหมดบ้าไปหมดเพราะว่าบุญไม่เข้าไม่เข้าใจคําว่าบุญเขาก็เลยเอาบุญไปแบ่งกันถ้าบุญแบ่งได้แบ่งอาวุธบุญคืออาวุธกําจัดกิเลส บุญไม่ใช่ขนมปังบุญคือปืนอธิบายที่ศรีรษอโศกใช้พยัญชนะนี้มาฟังกัมบังหเปล่าบุญเนี่ยอาตมาเปรียบเหมือนคือปืนแต่ไปเข้าใจกันว่าเป็นขนมปังจะไปเอามากินกินเข้าไปก็ตายได้กินปืนนะปืนคือการชำระ คือการฆ่าฟังแล้วน่ากลัวบุญนี่คือการชำระคือการฆ่าคือการกำจัดไม่ใช่ขนมปังเป็นปืนนเพราะพูดใดที่สามารถกำจัดกิเลสได้ก็จะเกิดส่วนแห่งบุญส่วนแห่งบุญไปจนกระทังครบ เพราะฉะนั้นผูด้ใดที่เข้าใจสภาวะนี้จริงจึงปฏบิบัติบุญได้เรียกว่าเกิดการจัดการกับจิตจะเรียกมณสิการก็ได้จัดการกับจิตหรือจะเรียกอภิสังขารก็ได้เป็นการจัดการกับจิตจัดการให้เกิดบุญเรียกเป็นศัพท์ว่าโยนิโสมมณสิการหรือปุญญาภิสังขาร จัดการสังขารสังขารอย่างยิ่งอย่างเลิศเลยหะอภิษเนี่ยอย่างยิ่งใหญ่สังขารจัดการปรับปรุงตกแตง่งให้มันเกิดการลดกิเลสกับจัดกิเลสลงไปตามลำดับหรือดับได้เลยก็ยิ่งดีถึงที่สุดเรียกว่าปุญญาภิสังขารหรือเรียกว่าโยนิโสมนสิการการจัดการกับใจทำใจในใจของตนเองให้มันท่องแท้แยบคายให้มันเกิดผล เพราะอภิสังขารจึงทําไปจนกระทั่งไม่มีบุญไม่ต้องทําบุญจบการทําบุญเรียกว่าอาปุญญะก็เป็นอปุญญาภิสังขารเพราะฉะนั้นอภิสังขารก็มีสามหนึ่งกำจัดกิเลสเป็นโลกุตระอภิสังขารในเป็นโลกุตระกาจัดได้หมดก็เป็นอปุญญาภิสังขาร เมื่อได้หมดแล้วก็รักษาผลเรียกว่าอนเนนชาพิสังขารเป็นการรักษาผลเป็นการปฏิบัติสัมอาเสวนาภาวนาพระหุทักัมมังหรืออนุรักษณาประทานเพียรทำต่อเพื่อให้เกิดการรักษาผลทำให้มันมั่นคงทำให้มันถาวรทำให้มันยั่งยืนทำให้มันเป็นจริงอย่างจริงที่สุดเรียกว่าตัๆๆตา ทำความจริงให้เป็นจริงที่สุดตถาตาจนสาเร็จเป็นตถ ต, ต, ตานั่นอปุญญาภิสังขารเมื่อทำบุญเสร็จจบในยะที่หนึ่งเป็นเครื่องชำระในยะที่สองถ้าทำเป็นก็มีส่วนแห่งบุญตามลำดับในยะที่สามก็เป็นการทำเป็นเป็นอภิสังขารได้อภิสังขารเป็น ในยะที่สี่เมื่อทําชําระเสร็จจบก็หมดบุญหมดบาปปุญญาปาปะปริคีโนสิ้นบุญสิ้นบาปจบไม่มีบุญไม่มีบาปแล้วสิ้นและหมดบุญหมดบาปแล้วเพราะฉะนั้นพระอรหันตุกองเป็นคนไม่มีบุญไม่มีบาปจบบุญจบบาปพอเป็นอรหันต์แล้วเป็นคนไม่มีบุญ เป็นคนไม่มีบาปแต่เป็นคนมีกุศลไม่รู้จักจบยิ่งเป็นพระอาหารหันต์แล้วยิ่งไม่มีบาปเลยเป็นข้อที่ห้ามีแต่กุศลไม่มีบุญเลยโอ้เป็นคนไม่มีบุญเลยพระอาหารหันต์นี่เป็นคนไม่มีบุญนะมีแต่กุศลสัพพปาปัสสะกระนัง นี่เป็นข้อประเด็นที่ห้าคือเป็นผู้ที่ไม่ทำบาปทั้งปวงทำบาปไม่เป็นแล้วสัพพะปาปสัสการนังทำแต่กุศลบุญก็ไม่ต้องทำเนียพอจบแล้วเลิกละหมดจบอาวุธหมดแล้วหายไปแล้วไม่มีอาวุธทำแต่กุศล เพราะฉะนั้นในโอวาทปาติโมกประเด็นที่หเนี่ยจึงมีเป็นผู้ที่ไม่ทำบาปทั้งปวงแต่ทำแต่กุศลอย่างเดียวไม่ใช่บุญเป็นนัยยะที่ลึกซึ้งโอวาทปาติโมกเนี่ยที่ใ้พยนชนะตามสภาวะธรรมที่สมบูรณ์แบบศึกษากันไม่มีสัจจะ ความจริงที่แท้ก็เลยไม่ค่คยรู้เพราะงั้นก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมพระพุทธเจ้าตรัสอันนี้ไม่ใช้คำว่าบาปกับบุญล่ะไม่ทำบาปทั้งปวงทำแต่บุญราะก็ควรจะใช้คำว่าบุญมันจะสอดคล้องกันเนาะทำไมไปใช้คำว่ากุศลน่ะก็มีคนตั้งข้อสังเกตคนตอบไม่ได้เพราะไม่รู้จักสัจธรรม ก็พยายามหาประเด็นว่าเอ๊ะทำไมท่านใช่งี้ก็ไปมองที่เป็นอ๋อพยัญชนะมันท่านแต่งเป็นคำกวีคำเป็นคำชันทลักษ์ฉันทลักอันนี้มันต้องใช้คำตอนนั้นตอนนี้ตอนนี้พยางตอนนี้พยานถ้าไปใช้คำว่าบุญเนี่ยมันสั้นมันมันมันไม่ครบถ้าจะบำเพ็ญบุญ กุศลัสู้ปทัพตาจะไปใช้ปุญญะมันไม่ใช่กุศลมันใช้ปุญญะมันพยัญช น, นะพยางมันน้อยมันไม่ครบเขาด้วยจาเป็นต้องเอาคํากุศลมาใช้แทนคําว่าปุญว่าเงินนะก็เลยบอกว่าอ๋อที่ท่านใช้คํานวลคํานี้เพราะว่ามันขัดต่อแผนผังของการประพันธ์นนไปให้ผลนนเลย เหตุผลว่าเงินกันอาตมาก็ฟังมาอ๋อฟังมาหลายหลายคนพูดว่าอ๋อที่ท่านใช้คำว่าอันนั้นบาปอั น, นี้ใช้คําว่ากุศลก็เพราะว่าวักแรกนั้นต้องใช้บาปแล้ววักหลังมันต้องใช้กุศลเพราะว่าพายัญชนะมันเข้ากันตามผังของชันทะลักก็เลยไปโนดไปลงลงโน่นเลยอ่า มันก็อาจจะเป็นเป็นได้อาจจะเป็นตามชั้นธาักษ์น่ะไม่ข้าเพราะว่ามันมีคําตอบนี่มันก็เลยได้ตอบคํานั้นในตอบประเด็นนั้นก็ไม่ว่าจะถูกก็ไม่ว่ามันไม่ผิดหรอกก็พยัญชนะตามชันทารักษ์มันก็ถูกอย่างที่เขาว่าไม่ไม่ผิดแต่มันไม่ใช่เหตุผลของประมาจไม่ใช่บาปุญเรื่องชันธลักษณ์แผนผังของชัน้นธารไม่เกี่ยวอะไรกักับประมาจาไม่ใช่เลยแต่นี่มันเรื่องของประมาจาพระพุทธเจ้าท่านจะมาสอนพระอรหัน ไอ้ีโอวาตปาติโมนี่สอนพระอรหันแล้วสอนพระอรหันเนี่เอาเรื่องคงฉันทลักษณ์มาสอนเหรอแล้วพยัญชนะคําว่าบุญว่าบาว่าอกุศลอะไรอกุศลเนี่ยมันต้องมีนัยยะลึกซึ้งของมันเป็นตัวเป็ น, ป น, ปนแน่นอนแล้วท่านเรื่องอะไรท่านจะไปใช้คำสองคานี้เพื่อที่จะให้มันท่านน่าจะเก่งกว่านั้นแม้แต่ฉันทลักษ์ก็ตาม ท่านน่าจะแต่งได้เก่งกว่านั้นนะอาตมาก็เป็นนักแต่งกวีแต่งชันธรักณ์มือกันนะหาคําที่มันไม่ผิดภาษาไม่ผิดอะไรนี่มันได้ดีกว่าเพราะท่านรู้อยู่แล้วเรือมันมันจะต้องมีนัยยะของปรมัตึกซึงอย่างนี้นะท่าไม่รู้ได้ไงขะขนาดโพธิรักยังรู้เลยโพธิรักยังไม่ใช่พระพุทธเจ้าเทหนไอย่ยังรู้เลยท่านจะไม่รู้ได้ไงพุทธเจ้า ก็มีแต่คนไม่รู้นะที่ไม่รู้ <c oughs> คนไม่รู้ก็ไม่รู้แต่คนรู้ไม่รู้ได้ยังไงมันสัจจะนะนี่เป็นประเด็นที่ห้าเท่าว่าทำไมพระพุทธเจ้าใช้คำว่ า, วาสัพปะ ป, ป, ปัดสักาการังใช้คาว่าบาปแล้วทำไมคำหลังไม่ใช้คำว่าบุญไม่ใช้คำว่ากุศลกุศล ส, สัมปทาก็เพราะว่า เมื่อเป็นผู้ที่จบบาปแล้วไม่ทำบาปทั้งปวงแล้วจริงๆแล้วผู้นี้คือพระอรหันตานั้นที่ไม่ทำบาปทั้งปวงจบเลยไม่มีบาปอะไรที่จะต้องทำอีกแล้วเพราะฉะนั้นคนนี้จะทำต่อไปยังไม่ตายยังอยู่ม่ปรินิพพานเป็นปริโยสารก็จะทำแต่กุศลไม่มีสันโดษในกุศลห้าประเด็นที่อาตมาพูดเนี่ยนี่คือบุญต่างกับกุศล ก็สรุปให้ฟังนะกุศลหมายถึงความดีงามทั่วไปทั้งหมดถ้าสัมมาทิฏฐิกุศลก็เกิดคุณค่าร่างกิเลสได้ด้วยเป็นจบแต่โดยความหมายจริงๆของคำว่ากุศลคือโลกิยะไป ก, กลางถ้าสัมมาทิฏฐิแน่นอนคุณปฏิบัติแล้วมันได้โดยอัตโนมัติคุณมีบุญก็ไปร่วมกับกุศลทันทีก็เป็นประโยชน์สองอย่างอุปยัตถะ าถามมาสั้นๆแต่ตอบสิ ย, ยาวเลยว่าประเด็นนี้สำคัญเอาตอ่อเอาใครจะตอ่อเอาเลยครับขอโอกาครับผมหินแสงชาวหินฟ้าผมเข้าใจว่าความรักมิติที่หเนี่ยคือเป็นความรักระดับแค่วัตถุธาตุ พอไม่สามารถช่วยเป็นความรักที่ไม่สามารถช่วยคนให้พ้นทุกข์ได้ครับจะเอาความหมายเท่านั้นก็ได้เป็นวัตถุฐานที่มีใจกว้างเผื่อแผ่พูดที่ไม่ได้ศึกษาถูกต้องตามสมาธิมันไม่สมบูรณ์หรอกรไม่สมบูรณ์หรอกมันยังมีอะไรแฝงอย่างที่อาตมาพูดไปแล้วว่าถึงยังไงยังไงก็มีมีตัวแฝงคนที่ไม่สะอาดสมบูรณ์เนี่ย หรือไม่เป็นไปตามลําดับถ้าสวดาบันก็สะอาดไประดับหนึ่งสงกิทาก็สะอาดขึ้นไปอีกอนาคาก็สะอาดความแฝงลดลงลดลงจริงเพอะเป็นอรหรันต์รก็จบเพราะฉะนั้นถ้าไม่เป็นลําดับที่ถูกต้องเป็นเบื้องต้นทํากลางมันปลายอย่างสมาธิถิราดลุ่มเหมือนฝั่งทะเลอย่างของพระพเจ้าแล้วเนี่ยมันพูดไม่ได้อย่างนี้หรอกมันไม่เป็นสัจจะอย่างนี้อย่างที่อาตมาพูดนี่ เขไม่รู้จะพูดยังไงอธิบายก็ได้เท่านี้ใช้ภาษาได้รี่้ตติปฏิภานได้เท่านี้แต่มาก็เก่งเท่านี้ <laughs> จะบอกว่าคุณจะบอกว่ามันเป็นแค่วัตถุทาน เ, <อ>เป็นแค่ควัตถุทานมันก็เปได้มันสับสนแต่คนที่เขามีพลังจิตรือว่าเามีคุณธรรมของจิตกว้างจริงๆก็ได้แต่มันไม่สมบูรณ์หรอกเพราะว่าเขาเข า, ไ ม, ไ, า, า ไ, ไม่รู้จักตัดตากไม่รู้จัก นามมาทำที่เป็นจิตเจตสิกของเขาเขาก็ไม่ได้ศึกษาเขาไม่ได้ล้างจริงก็ไม่ได้ตรวจสอบจริงเขาไม่รู้มันแฝงมันมีอะไรอยู่เขาไม่รู้ไม่ได้ทําจริงอะแล้วช่วยคนให้พ้นทุกข์ได้ไหมครับเขาช่วยนะเขาเองเขาช่วยดี๋ยวัตถุเขาช่วยคนให้พ้นทุกข์สิพ้นทุกข์โลกีก็ตามไม่แต่เป็นรูปรูปกระถาใช่ไหมมันก็เป็นวัตถุธทำมมันก็เป็นโลกโลกีมันไม่สมบูรณ์แบบนะ ผู้ที่เป็นแบบพุทธเนี่ยก็ช่วยคนได้รูกประธรรมด้วยวัตถุธรรมด้วยทั้งสองอย่างแต่ตัวท่านเองเน่ะท่านไม่มีนามมาทำที่แสงไม่มีนามมาทำที่เรียกร้องไม่มีนามธาทำที่จะไม่บริสุทธิ์มันบริสุทธิ์ไปตามลำดับจริงๆครับอของของพุทธคือสมบูรณ์กว่าอ่ามันสมบูรณ์รกว่า เพราะงั้นก็ถ้าเผื่อว่ามันไม่สัมมาทิฏฐิเป็นลำดับเบื้องต้นทรรมกลางบัณปลายที่ถูกต้องจริงๆแล้วแล้วก็มันล้างกิเลสไม่ได้จริงมันไม่ได้จริงมันก็แฝงเหลือเท่าไรมันก็แฝงอยู่เท่เเทเเทานั้นถ้ามันหมดไปตามลำดับจริงมันก็หมดไปเรื่อยๆไม่มีแฝงะสะอาดไปตามขั้นตามตอนปลายเลย ๆ, ๆ, ๆขอบคุณครับเอาสาม เด้วใครยกมือคนที่สามถ้าไม่มีก็มาให้ทางสมณะหมดแล้วเหรอทำไมน้อยจังเลยคนอยากถามไม่มีใครอยากถามอะไรเลยเอาไม่มีก็เอาทางนักบวช เอาเลยนักบทหญิงวันนี้นถูกย้ายแทนไปไว้มุนนนทนหมดละเขามาทำข้างหลังนี่เลยต้องย้ายกันนุสมณะก็ต้องย้ายออกจากอาจทรงขอากาศครับ เ, <อ> เ, เรื่องของความรักมิติที่หกฟังแล้วก็ ยังพอพอจะสื่อความหมายเรื่องของความเสียสละหรือความเปือแพรหลายอย่างนะที่เราเสียสละไปแล้วแต่ว่ามันมันไม่เต็มใจที่จะเสียสละให้ทั้งหมดมันยังยึกยัก อะไรหลายอย่างอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเรามีสมาธิพอเนี่ยพลังงานที่จะเสียสละให้แกสังคมหรือให้แกโลกเนี่ยามว่ามันมีมากอยู่นะแต่ถ้ายังครึ่งๆกลางๆก็ยังว่ารครับมันก็ยังติดในพลังงานที่ยังเอ๊ะมันมันจริงหรือให้ไปแล้ได้กุศลจริงหรือเปล่า พระกุศลมันก็เป็นโล ก, กีไหมถ้าเป็นบุญมันก็เป็นโล ก, กุตระอะไรพวกนี้นะครับถ้าทุกคนเข้าใจเนี่ยเพราะว่ามันทุ่มไปเต็มร้อเซเลยแต่ถ้ายังไม่ไม่เข้าใจพอเนนก็ยังไม่หมดมันได้แค่50หรือ ว, ว่า4 0่เท่านั้นเองนะอันนี้ตามที่เข้าใจก็ขอแค่นี้ก็ถู ก, ถกนะขออธิบายต่อประเด็นที่พูดนี่แหละเป็นประเด็นแท้ ทั้งที่ท่านหนักแน่นพยายามอธิบายนีย่มันเป็นประเด็นแท้ประเด็นแท้ทิวานี้ก็คือผู้ที่ปฏิบัติตามหลักธรรมรูปเจา้าเป็นเบื้องต้นทำกลางบรรปลายอย่างแท้จริงเนี่ยมันจะรู้จักตัวกิเลสจริงพอล้างกิเลสได้เป็นขั้นตอนตัวหนึ่งตายไปหมดในจิต มันก็ไม่มีพลังงานแฝงจิตเราไม่มีพลังงานแฝงนะมันถูกต้องมันถูกตัวมันถูกจริงมันก็เป็นจริงมันหมดไปแล้วก็หมดไปจริงๆมันไม่ได้แฝงออกฤทธิ์ออกเดชถูกกดข่มไว้ถูกพรางไว้ถูกกะต้านกันไว้เล่นเล่นหรืออะไรแต่เฉยเฉยแล้วมันก็ยังมีฤทธิ์มีแรงยังเหลืออยู่อะไรอยู่มันไม่มีนะพ่อแม่จะจะทาไปตามลาดับ ไปตามลำดับมันก็เป็นจริงมันก็เป็นจริงมันมีรอยกิเลสรอยเอาออกไปซะยี่ส้าบดไปได้เลยครบโสดาบัลนยีิห้าหมดมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาแฝงอีกยี่ส้าเพราะจิตมันก็สะอาด 75% เรซเรียบร้อยเพราะฉะนทำความดีงามทำความช่วยเหลือทำอะไรอะไรแก่ผู้อื่นมันก็เต็ม 75% ้า ที่จริงมันน่าจะพูดว่ามันเต็มถ้าบอก75แล้วไปถึงห0มันจะเต็ม50มันจะเข้าทางไงนะมันควรจะบอกร2อย้ามันจะเป็นร2 5ย้าช่วยคนอื่นได้ร้อย้าพอมันล้างออกอีกห0สกิทาคามีล้างออกไปอีก50บมันก็หมดไปอีก50บเหลืออีกห0บ มันช่วยคนอื่นได้ร้อยหเลยมันช่วยคนอื่นเต็มเต็มรอยหมันไม่มีอะไรแฝงไงแต่คนที่ไม่ได้ล้างจริงไม่ได้รู้จริงไม่ได้ชัดเจนไม่ได้สะอาดจริงเนี่ยมันไม่รู้หรอกมันแอบมาตีท้ายครัวมันม่แอบมาแฝงหาตัวตนเพิ่มมาให้แก่ตัวตนให้มาแก่ญาติโกโดติกาเผื่อคนนั้นคนนี้ของตัวเองที่ยังแฝงมันไม่รู้เรื่องเลยอ่ามันไม่รู้เรื่องเลย เพราะมันไม่ชัดเจนมันไม่จริงแล้วมันไม่หมดจริงด้วยแต่เขาพูดไมนหมดจริงเพราะยิ่งหมดไปถึงขั้นอนาคามีหมดไป75็เนี่ยโอ้โหช่วยคนอื่นได้ร7 5ยเเลยคันี้เนี่ยต้องขยายความใ ช, ใช้สังเยานเลขประกอบอย่างนี้มันจะเข้าใจนะพอออกไปหมดเลยเต็มสองร้อยเลยนะช่วยคนอื่นได้เต็มสองร้อยเลย ก็เท่ากับประโยชน์ตนประโยชน์ทัน200ประโยชน์ตนร้ยหประโยชน์ทัน้อยหนึ่งมันยังงั้นถ้าอธิบายอย่างนี้จะเข้าใจชัดขึ้นมันมันไม่มีอะไรแฝงแล้วมันเป็นจริงอย่างนั้นจริงๆเลยมันบริสุทธิ์สะอาดจริงแต่คนที่ไม่รู้จักก็จะไปรู้ได้ยังไงแบ่งยังไงล่างไงมันมันมันสับสนนะมันไม่รู้ตัวอัตตาไม่รู้จักตัวตนของกิเลส มันไม่ได้จับมันขั้นตายมันไม่มีกรอบกอรอบเขตไม่มีวิธีการไม่มีทฤษฎีของพระเจ้าท่านมีทฤษฎีแล้วก็ต้องอ่านออกจริงๆเลยตั้งแต่ตัวต้นสักกายะไปตัวตนของกิเลสไปตามระดับตามําดับจริงๆเลยแล้วก็จะมีความรู้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้ น, นอ๋อตัวตนที่มันยังเหลืออย่างไงมันก็ชัดขึ้นปัญญายานโดยเฉพาะยานปัญญาที่รู้จักัตตาตัวตนมันยิ่งจริงอย่างพวกคุณเนี่ย ปฏิบัติไปเถอะยิ่งปฏิบัติไปคุณจะรู้อจะรู้เลยว่าโอ้เหลือละเอียดเหลือเล็กเหลือน้อยมันยังเล่น ง, งานเราือน้อยเล็กๆ เ, เราจะเข้าใจเลยเราจะเห็นมันแลคนค้วก็คิดดูสิคนทั้งโลกเ ห, หลือเล็กเหลือน้อยมีเล็กมีน้อยอยู่เรื่องอะไรตัวหยาบยังไม่รู้เลยใช่ไหมพอเราจะรู้ว่าโอ้นี่ยแวบบคนมันก็สังวรระวังคนที่จะมุ่งมัน่นที่จะไม่ทําชั่วทําเลวมันก็ยังมีประโยชน์อย่างแท้จริงมาเรียนรู้ระมัดระวัง นะยิ่งไม่มีพลังงานกิเลสหรือว่าความต้องการมากมายอะไรนักแม้มันมันยังมีอยู่มันก็ยับยั้งได้ถ้ายิ่งมันไม่มีเลยนะมันก็ไม่ต้องไปมีต้องดต้องคมต้องอะไรเลยมันก็สบายเป็นสัจจะอย่างนั้นาต่อใครเอาเลยเอาสิขมาสบ้ากราบนมรรการพ่อท่านค่ะท่านสมณะสิขมาสเจริญธรรมค่ะพวกเราทุกคนค่ะ ก็ยิ่งชัดเจนนะคะว่าเราจะต้องลดละ ก, กิเลสเราก่อนแน่นอนยิ่งลดได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งช่วยเหลือผู้อื่นได้มากขึ้นเท่านั้นแล้วก็จะเห็นเลยนะคะว่ามิติต้นๆเนี่ยเป็นลักษณะซึ่งเห็นแกตัวจัดยังไม่เข้าใจอะไรเลยกิเลสเยอะแยะมากมายนะเป็นความโลภความโกรธมากมายเพราะนั้นก็ยิ่งต้องรักเป็นเข้าเป็นข อ, ของของตัวเราเอง พอเราลดกิเลสลงมากขึ้นก็กระจายความรักให้กับคนอื่นเสียสละออกได้มากขึ้นเนี่ยยิ่งปฏิบัติธรรมได้สูงขึ้นสูงขึ้นอย่างที่พ่อท่านพูดถึงเมื่อกี้นะคะเป็นโสดาบันเนยอย่างพวกเราเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าพอเราเลิกละพวกอบายจมูกทั้งหมดแล้วลดความขี้เกียจขี่ค้านด้วยแล้วเราก็มีศีลหบริสุทธิ์ขึ้นมาบางคนขึ้นมาถึงศีลแปด อะไรขึ้นมาเนี่ยนะคะแม้มาอยู่ในชุมชนบางคนก็ไม่ใช้เงินและทองเนี่ยก็ทำให้เรารู้สึกว่าความต้องการของเราเนี่ยน้อยลงเรากลับขยันเสียสละได้มากขึ้นตัวเรารู้สึกว่ามันเบาอะ่ะมันเบากายเบาใจแล้วเสียสละได้มากขึ้นมันไม่มีตัวอะไรอะ่ะแสวงหาลาบยศสารเสออาจจะพอมีมากบ้างอยู่ะนะคะสารเสรือนินทาต่างแต่ว่าหลายๆคนก็วางได้มากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย ชุมชนของเราเนีคะสามารถที่จะทํางานเหล่านี้ไปถึงมิติที่5ที่6ที่7ได้เราเราก็เป็นพระเจ้าของเราซะเองได้ใช่ไหมคะพ่อท่านใช่อันอ น, นึงอันเดียวกันพระเจ้าไงเราจะเห็นพระเจ้าในตัวเราเราเป็นพระเจ้าตัวเล็กๆตัวน้อยๆ น, นะคะจนเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์ถ้าจิตใจของเราเนี่ยสามารถลดละ ก, กิเลสได้จริงๆ เราสละความเห็นแก่ตัวของเราออกไปมากๆ ม, มันอยู่ในหมู่กลุ่มนี้ค่ะสามารถทำได้แต่ถ้าเราไม่มีหมู่กลุ่มไม่มีพ่อท่านเป็นผู้นำที่แนะนำให้เรารู้จักความรักถึงสิบมิติเนี่ยเราจะมีปัญญารู้ไหมคะเราก็ไม่รู้อะเราก็รักแค่ญาติพี่น้องของเราสังคมของเราประเทศชาติรักกันจนทำร้ายทำลายกันอย่างเงี้ยก็มีใช่คะเป็นความรักที่ผิดๆอันนั้นกน็ยังเป็นความรักที่เป็นอัตราแล้วก็เห็นแก่ตัว แต่ว่าความรักในมิติที่สูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยจะเป็นอะไรที่ใจมันไม่ได้หนักใจมันไม่ได้ทุกความทุกเนี่ยจะน้อยลงน้อยลงแล้วก็สบายขึ้นใช่ไหมคะมัมสการค่ ะ, ะความรักที่ศิคมารินฟ้าพยายามจะขยายนี่นะอาตมาก็าอยากจะขยายเพิ่มให้อีกนิดหนึ่งว่าถ้าเผื่อว่า ไม่ได้เข้าใจอย่างที่สิกรมาตพยายามจะขยายความให้ฟังเนี่ยคือหากไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของนามมาทำที่เป็นจิตเป็นวิญญาณที่แท้จริงเลยคือตัวอัตตาตัวตนของกิเลสแท้ๆเนี่ยมันมีลักษณะอย่างนี้มันเห็นแก่ตัวแล้วเห็นแก่ตัวจัดจ้านหน้ามืดตาหมม คนอื่นขนาดลูกมันยังไม่เอาเลยมันจะเอาแต่คู่มันเท่านั้นเองมีลูกมามันก็ยังไม่รักลูกไม่นั่งค้างกอดก็รู้เลยมีแต่เท่านั้นนะหลงไหลหนักอยู่แต่คู่่ซึ่งมันมีนะนึกออกมาเคยเห็นนิยายเรื่องนี้ไหมนิยายเรื่องที่ มันรักกันอยู่สองคนเท่านั้นนะแม่มีลูกมามันยังไม่รักลูกเลยไม่รักลูกมันไม่เห็นแก่ลูกเลยมันรักกันอยู่สองคนน่ะแม่มีลูกมาแล้ววายแทนที่จะคนเรามันมีลูกมันจะรักลูกเพิ่มขึ้นเผื่อแผ่หรืออะไรทางคู่อาจจะไม่ลดลงแต่มันเผื่อออกมาแต่นี่มันไม่มันไม่แทนที่จะเผื่อออกมาหาลูกและธรรมดาเนี่ยมา รักลูกมากกว่าคู่เนี่เพิ่มขึ้นนี่ก็เยอะมันรักลูกมากกว่าคู่ยิ่งนานเข้านานเข้าจะรักลูกมากกว่าคู่นานเข้ามันจะกลายเปน็นยังานด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่รู้จักลักษณะของพลังงานทางจิตที่เป็นเรียกมันว่าความรักความเห็นแก่ตัวตัวนี้มันจะมันจะล้างไม่ถูกสภาวะ เราเอามาเรียนเอามาทํำการเข้าใจมันจะรู้จักสภาว่าอ๋ออันนี้มันเกี่ยวข้องคู่คืออย่างนี้ใช่ไหมลูกคืออย่างนี้ใช่ไหมญาติคืออย่างนี้ใช่ไหมมิตราสหายคืออย่างนี้ใช่ไหมเราก็จะเข้าใจความหมายแล้วเราก็จะรู้ว่าเออจิตเราเป็นเว้ยจิตเรามีอย่างงี้เว้ยอย่างงี้ยังอยู่อย่างงี้กรอบอย่างา ง, งี้ขอบงนี้มันก็ทําให้เราเนี่ยรู้จักว่าจิตของเราใน Space, เ อ, อื้อเ อ, อื้อมเอื้อเกื้อ้ออ ior, male, วงออกไปจริงหรือไม่นะมันจะเห็นได้บางผู้บางคนเนี่ยนะ เขาเห็นเขาเห็นแก่สัจจะเขาเห็นแก่ความถูกต้องมากกว่าลูกมากกว่าหลานผิดจัดการลูกก็ลูกไม่เกี่ยวผิดเนี่ยมันผิดต่อมวลมนุษยชาติผิดต่อประชาชนอื่นเขาผิดต่อสังคมผิดกฎเกณฑ์จัดการอย่างงี้เขาก็ไม่เห็นแก่ลูกก็ไม่แคบอยู่แค่ลูกอย่างนี้เป็นต้น แต่ส่วนใหญ่นะมันลูกผิดมันก็ช่วยลูกใช่ไหมส่วนใหญ่นะลูกผิดชัดๆเลยมันก็จะบอกว่าโอยหาทางวิ่งเต้นเพื่อที่จะไม่ให้ลูกต้องรับความผิดความเห็นแก่ลูกขนาดไหนหคนใช่ไหมผลกระทบต่อคนอื่นคนอื่นจะเป็นจะตายไปทภาภัยต่อทำโทษต่อคนอื่นเขาถึงเป็นความผิดและไม่ให้รับ ไม่ให้ลูกรับมันก็เห็นแก่ลูกคนหนี่ไม่ไปทำไปปรหิตต่อคนอื่นนะอย่างนี้เป็นตน้นนะเพราะงั้นมันจะไม่ชัดมันจะไม่จริงนะกราบขอาการ์ดค่ะกราบสักการ์พ่อครูท่านสมณะพันเตมุโสศิคมาศค่ะจริยธรรมพวกทุกคนนะคะค่ะฟังพ่อครู ว, วันนี้ก็รู้สึกเออเหมือนไม่ได้ฟังของใหม่อยู่เรื่อยๆเลยนะคะ เรื่องบุญเรื่องของคำว่าบุญกับกุศลอัตมาพยายามนะพ ย, มพยายามที่จะพูดของใหม่ที่มันมีอะไรเพิ่มเสริมเกินเสมอเออคนนี้รับได้ดีจังเลยก็เลยคือคือทําไมเราฟังแล้วมันยังมันใหม่อยู่เรื่อน่บุญกับกุศลเนี่นะคะอย่าง <c oughs> นี้ก็เลยนึกถึงว่า อ, อที่ก็เคยฟังมาตั้งนานเรื่องของโอวัตปฏิโมกษามะนะคะสัพปปาปัสกากรนังก็สงสัยนะคะเอ๊ะทำไมเ พระอาหารหันต์ท่านก็ไม่ทําบาปอยู่แล้วใช่ไหมคะทําไมพระเจ้าท่านถึงถึงมาตรัสตรงนี้เน่ยนะคะก็สงสัยอยู่แล้วก็ข้อที่สองคือกุศลสุ ป, ปสัมปทานเนี่ยให้ทํากุศลให้ถึงพร้อมคือพระอาหารหันต์ก็ต้องทํากุศลอยู่แล้วนะคะแล้วข้อที่สมจัจจิตตปริโยธะปะณังเนี่ยเขาทำทำจิตใจให้ให้ผ่องใสเนี่ยพอมาฟังพวกครูวเนี่ยอ๋อมันก็เลยได้เข้าใจนะว่าคือมัน ถ้าเราเข้าใจในเรื่องของบุญกับกุศลนี้ก็จะได้เข้าใจอาโอวาทปาติโมกสามากขึ้นน่อนะคะทีนี้ก็เลยนึกถึงตอนที่พ่อครูเทศตอนแรกวันนี้ยิ่งก็มีความรู้สึกว่าพ่ะครใูให้ยาแรงกับศา ส, สนากระแสหลักกันนะคะ <c oughs> <c oughs> คะ่คือคือยิ่สุกวมันไม่เคยได้ยินยาแรงขนาดนี้ที่พูดถึงว่าไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อสังคมอะไรเลยนะคะ ก็เลยมานึกถึงว่าแต่ว่าเราฟังแล้วเราไม่แปลกใจเพราะว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องของมันยังไม่แรงเท่าไหร่แล้วนอกจากไม่เป็นประโยชน์แล้วเป็นโทษด้วยค่ะคือจริงจะมาพูดตรงๆเลยผาๆเลยค่ะคือพอจริงย่ำเลยอันนี้ก็เห็นเห็นเห็นสอดคล้องที่พวกครูเทศก็เห็นอยู่นะคะดูเปรียบอะไรอะไรอยู่ต่างๆอภิสิทธิ์ต่างๆเยอะแยะด้วยซึ่งไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร ที้มันก็คิดต่อนะว่าอ๋อคือพ อ, เ, อเราม า, มาฟังเรื่องของบุญเรื่องของกุศลนี่มันก็เชื่อมโยงกันน ะ, ะว่าถ้าพวกเราลูกๆรวมถึงดิฉันด้วยนะแต่ละคนนี่ถ้าพยายามที่จะทาบุญให้ได้เยอะๆนะคะแล้วก็สร้างกุศลให้ได้มากๆนี่มันก็จะเป็นสิ่งรองรับสิ่งที่พ่ะครูเทศนะค ะ, คะแค่นี้ค่ะ<ม>ใช่ไหมคะพ่อครูคะ <laughs> อ้าวใครอีกฝ่ายจริงยังได้อีกอ้าวได้อีกอีกรูปไมได้เดี๋ยวทางนี้ยังมีใครพไปเตรียมมบกระโ逢อะไรทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกท่านกันพูดมาของฝ่ายชายฝ่ายนังโบสถ์ชายวันนี้พ่อครูก็พูดถึงความรักมิติที่หฟังก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะต้องทำความเข้าใจพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าวันนี้พ่อครูอธิบาย บกวนไม่ให <c oughs> ม่ๆด้วยนะคะเหมือนกันคะ่ะแล้วความรักมิติที่หนี่ก็พอจะสรุปได้นิดหน่อยนะคะว่าถ้าปฏิบัติตามพุทธเจ้าแล้วเนี่ยมิติที่หเนี่ยคนที่มีจิตวิญญาณสามารถเอื้อกว้างไปทั่วสากลทั้งจั ก, กรวาลถ้าปฏิบัติตามพุทธเจ้าเลยเนี่ยจะเป็นคุณค่าประโยชน์มหาศ า, ศาลเลยค่ะแต่ที่เมื่อกี้ถามบอกว่าเป็น แค่ว่าถูกทานแล้วก็อที่พ่อครูอธิบายตรงนี้มันอาจจะชัดเจนตรงที่ว่ามันจะเป็นประโยชน์มหาศาลล่ะถ้าทําอย่างไม่จํากัดชาติไหนเราก็ช่วยได้หมดเพียงแต่ว่าอย่าไปสาบานหรืออย่าไปพูดเหม็นปรัชญาเก๋เทศที่พ่อครูบอกแต่ว่าเอาจริงแล้วก็หลอกเขาแต่ถ้าทําอย่างมีความมุ่งหมายหวังประโยชน์ ทางการเมืองเนี่ยแบบนั้นอ่อคุณค่าความรักมิติที่หกก็จะลดเหลือแค่มิติที่2หรือสแต่ถ้าทำอย่างไม่มีผลตอบแทนก็เป็นคุณธรรมที่สูงก็มนุษยชาติควรจะช่วยเหลือไม่กำหนดคนในประเทศเท่านั้นส่วนพลังงานทางจิตที่เป็นความสัมพันธ์ของสังคมนั้นคือความรักนี้นี่เป็นความนิยามของความรักอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ฟังแล้วก็ ต้องทำความเข้าใจมากๆหรือเรียกอีกด้านหนึ่งก็คือจิตนี่พลังงานทางจิตที่มีสารนิยธรรมไปตามลำดับนี่ก็เป็นความรักวันนี้พ่ะครูให้สับใหม่นะคะสับว่ากรรมมันเซนนะคะเออฟังแล้วก็สะดุดเหมือนกันนะคะทีแรกก็แล้วก็ต่อไปก็พูดถึง Common Sense มันเป็นสามัญสำดึกของคนเป็นความเห็นแก่สังคมที่ที่จริง ส่วนกรรมมันเซนนนมันน่าจะเป็นไก่วจีที่ประพฤติกระทำอะไรลงไปกรรมมันก็เซนมันก็จดไว้หมดแม้กระทั่งมโนจะเป็นกุศลหรืออกุศลกรรมมันก็เซนไว้จดจดไว้ทุกขณะส่วนที่การที่จะเรียกร้องความเสมอภาคความเท่าเทียมแปลกรรมมันเซนมัเซนไว้หมดกรรมมันเซนไว้หมดทาไว้มันจดไว่หมด ความเรียกร้องความเสมอภาคนะคะความเท่าเทียมก็เป็นแค่สมมุตินะคะส่วนปรมตรสัจจะสิ่งที่เท่ากันนั้นคือสภาวะนิพพานนี้จันจะแน่ชัดที่สุดไอ้เท่านี้คะ่ะเดียบเลียงเอาไว้นะอ้าวทีนี้สมณะบ้างกราบขอโอกาสครับเอาเชิญฟัง อครอธิบายในย่อซับซ้อนของมิติที่6วิติที่7วันนี้ก็รู้สึกประทับใจมากเลยนะครับเพราะว่าอุดมคติของมิติที่6เนี่ยแม้จะสูงส่งมากมายยิ่งใหญ่แค่ไหนมันก็ช่วยเหลือผู้คนได้อย่างที่พ้นทุกข์แต่โล ก, กีไม่มีอาหารก็ให้อาหารไม่มีบ้านไม่มีเครื่องนุ่มหอมก็ช่วยเหลือเกื้อกูลไปได้ทั้งโลกแต่ถ้าไม่ได้ศึกษาที่เป็นสัมมทิทิ ม่ศึกษาเรื่องของอัตตามันก็ไม่พ้นวัตถุสงสารคนก็ทั้งตัวคนช่วยทั้งตัวคนถูกช่วยก็เวียนวนอยู่กับความเป็นสุขเป็นทุกข์ช่วยเหลือได้สมใจก็สุขช่วยเหลือไม่ได้คนนี้ช่วยเหลือไม่ได้ก็ทุกข์อะไรมองนั้นนะครับแต่ในยะที่พ่อครูอธิบายให้เข้าใจมากขึ้นตรงที่ในยะเขาไม่ติที่เที่มันดูเหมือนลําเอียงนะไม่ติที่เจ็ดเดีผมก็จะขอยยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ย ที่บอกว่าท่านจะไปช่วยโปรดใครเช้าท่านจะต้องมียานเลงว่าเอ๊ะวันนี้จะไปช่วยใครดีที่เหมาะสมเหมาะสมที่จะช่วยได้คนเนี้ยมันเหมือนลำเอียงไงไหมมันไม่ไม่ทุกคนไม่นั่น ม, ม, ม, ม, มันเหมือนลำเอียงแต่ก็เข้าใจว่าเออเนียในยะตรงเนี้ยที่พี่มีการประมาณการประมาณที่จะให้ช่วยเหลือคนได้เหมาะสมะคนนี้จะช่วยได้ให้พน้นให้พ้นวัตถุสงสารได้พ้นทุกอริยสัตว์ได้ ไม่ใช่เฉพาะพ้นทุกเฉพาะโลกี่มันจะเจาะลึกเข้าไปถึงปรมัทิตย์เข้าไปถึงทุกอริยสัจแต่มาว่านี่เป็นความเมตตาที่มันซับซ้อนถึงที่ว่าเหมือนลําเอียงนะแต่จิตของท่านเนี่เมตตาอยากจะช่วยหมดทุกคนนั่นแหละแต่เลือกเฟ้นให้เหมาะสมว่าคนนี้จะช่วยได้ก็ขออธิบายแค่นี้ครับอ้าวมีใครอีกสมณะขอากาสพ่อท่านครับ เมื่อกี้ทวท่านบอกว่าบุญคือปืนใช่ไหม <c oughs> ถ้าอย่างนั้นคนที่ยังไม่เป็นพระหรหันต์ก็เป็นนักฆ่ากันใช่ไหมพระท่านอ้านัานกฆ่าตัวสําคัญนักฆ่าแต่ต้องฆ่าตัวเองก่อนต้องฟังเพลงกองทัพพุทธธรรมต้องฆ่าตัวเองก่อนไม่ฆ่าคนอื่นหรอกฆ่าแต่ตัวเองอ่าเป็นนักฆ่าคืออาตมาว่ามันเป็น สิ่งที่ลึกซึ้งที่อาตมาว่าอาตมาพูดไปแล้วเนี่ยหลายคนจะแจ้งจะเถียงว่าอะไรว่าบุญมันจะมันร้ายแรงขนาดนั้นมันเป็นปืนมันเป็นอาวุธ <c oughs> <c oughs> คุณรู้ไหมว่าคนเราเกิดมาเนี่ยผู้ร้ายตัวสำคัญนี่คืออะไรของคน กิเลสผู้ร้ายตัวสำคัญตัวร้ายที่สุดเลยเนีย่คือกิเลสเพราะฉะนั้นคุณต้องมีอาวุธที่สำคัญที่สุดที่คุณจะต้องจัดการกับผู้รายย้ายนี่ให้ได้ของใครของมันต้องรับผิดชอบทุกคนต้องรับผิดชอบผู้ร้ายของตนเองผู้ร้ายตัวนี้นี่มันทำร้ายทั้งตัวเองแล้วทำร้ายทั้งสังคมทำร้ายทั้งผู้อื่นด้วยผู้ร้ายตัวเนี้ย มันทำร้ายหมดดะไปหมดนะไม่ไหวหน้าใครทั้งนั้นนะตั้งแต่ตัวเองไปจนกรตั้งถึงคนอื่นไปสารพัดเพราะนี้มันจึงจำเป็นที่ทุกคนจะต้องมีอาวุธปราบตัวนี้บุญยังเป็นอาวุธที่จะปราบตัวนี้นี่เป็นจำกัดความเลยเป็นคาจำกัดความของคำว่าบุญเลยเทตมาก็ยัง ดียังมีหลักฐานทงางที่มันยังมีคนพบคนเจอมาเป็นสิ่งที่อ้างองิงอธิบายถ้าไม่เช่นนั้นอาตมาเองอาตมาพูดไปนี่รับรองเขาเอาอาตมาตายเลยเพราะเขาไปเข้าใจว่าบุญเนี่เป็นเหมือนขนมปังเป็นเหมือนกล้วยเป็นเหมือนทองคําเป็นเหมือนเพชรนินจินดาเป็นเหมือนอะไรที่อยากได้เป็นโลกีไปหมดเลยมันไม่ใช่ มันไม่ใช่มันเป็นอาวุธทางโลกุตระเป็นบุญญาวุธนะคุณเคยได้ยินคําพูดง่ายๆตื่นๆแค่ว่ากุศลาวุธคุณเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมกุศลาวุธแต่บุญญาวุธเคยได้ยินใช่ไหมคนจะพูดบุญยาวุธไม่มีใครเขาพูดกุศลาวุธหรอกเพราะข้อสมันเป็นความดีงามกว้างๆเป็นประโยชน์ท่าน ป็นประโยชน์กว้างๆมันประโยชน์นชน ไ, มไม่ได้เจาะจงแต่บุญญาวุฒิมั น, เ ป, นเป็นตัวเจาะจงที่สุดนะเพราะฉะนั้นในหลักฐานต่างๆที่อาตมาหยิบมาเมื่อกี้อธิบายไปแล้วถึง ห, ห้าประเด็นจะเห็นได้ชัดถ้ะเผื่อว่าใครที่ไม่ดันทุรังเกินไปไม่ดื้อไม่ดึงอะไรรฟังได้เห็นวันนี้อาตมาไม่ได้พูดเราเองทั้งนั้นเลยคาว่าปุญญับ ที่มันแปลในประเด็นที่หนึ่งมันแปลว่าเป็นเครื่องชำระเครื่องกำจัดนันก็ชัดเจนอยู่แล้วบุญเนี่ยเป็นเครื่องกำจัดกำจัดสันดานเลยอะ่ะสั้นตานังปุนาติะให้หมดสันดานไปเลยสันดานชั่วสันดานที่มันไม่ดีอะ่ะสันดานเนี่ยเราหมายถึงไม่ดีอ่ารราบารมีเราหมายถึงสิ่งที่ดี แต่สันดาลเนี่ยมันหมายถึงสิ่งที่ไม่ดีในจิตของเรามันสะสมอยู่ในจิตของเราเพราะคําว่าบุญคําแรกมันก็ชัดเจนอยู่แล้วเป็นนักฆ่าใช่ไหมเป็นนักฆ่าใช่ไหมชําระกิเลตในสันดาลนะพอขยายความบุญตัวที่สองที่ว่าปุญญภาคียาหรือปุญญภาคส่วนบุญส่วนแห่งบุญส่วนของบุญนี ยิ่งเห็นชัดว่าคนเข้าใจบุญไม่ได้เลยเอาส่วนบุญไปแบ่งคนอื่นไม่คนอื่นกินปืนด้วยกินไม่ได้เรากกินได้ลูกปืนที่ก็เอาลูกปืนไปให้คนอื่นเท่านั้นเองนะถ้าจะไปแบ่งนะคุณเอาปืนไปให้เขาแล้วคุณจะได้มีอะไรมีใครมั้งไอ้โจนเอาปืนไปให้เขามันแบ่งไม่ได้หรอกปืนนะ่ะมันก็ของใครของมันมีถ้าไปแบ่งเขาเขเอาลูกปืนที่ไปให้ แบ่งลูกปืนได้เพราะลูกปืนมันมีเยอะมันไหลลูกไหลอันปืนมีอันเดียวนะส่วนแห่งบุญเนี่มันก็ถึงชัดเจนว่าท่านใช้คำนี้เมื่อเป็นสมาธิแล้วเจ้าก็จะต้องปฏิบัติทมแม่กิเลสยังไม่หมดเป็นสาสวะก็จะเกิดส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันปุญญาภาคิยาอุปธิเวป ก, กาทาให้ รูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขั น, ขนยินยานขันเนี่ยเป็นผลสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นไปตามลำดับนะเมื่อปฏิบัติถูกต้องเป็นสมาธิิเป็นตามขั้นตอนซึ่งมันชัดเจนหมดเลยมันเป็นหลักฐานยืนยันที่อาตมาหยิบมาอ้างอิงยืนยันได้เลยก็ยังมีไอสิ่งที่ประกอบไว้ในหลักฐานการเรียนการศึกษาอยู่ในตำราอยู่ในพระไตปิฎก ในมหาจัตตารีสกสูตรนี่โอ้โหลึกซึ้งแล้วอาตมาสัมผัสแล้วพอเจอแล้วโอ้โหถึงได้บรรยายว่าจนกระทั่งพวกเราจับมาเรียบเรียงทำเป็นตำราทำเป็นคำพีสมาธิพุทธอะไรขึ้นมานอกจากนั้นแม้จะเป็นสภาพถึงทำให้เข้าใจว่าคนเข้าใจผิดเพี้ยนไปจนกระทั่งกลายเป็นเข้าใจปุ่นไม่ได้ ก็เลยไปแปลปุ่นมาเป็นเป็นบาปเลยนักเข้าปุญญาภิสังขารก็ไปแปลว่าปรุงแต่งเป็นบาปอ้าวเจงเลยนั่นให้เห็นชัดเจนเลยว่าท่านไม่เข้าใจสภาวะของสัจธรรมและไม่เข้าใจว่าอภิสังขาร น, นี่มีอภิคํานี้น่าจะสะดุดใจมันไม่สังขารธรรมดามีคําว่าอภิสังขารก็น่าจะสะดุดใจว่าเอ๊ะทําไมท่านใช้อภิสังขาร ก็รู้อยู่ว่าพี่แปลว่าอะไรแปลว่ายิ่งใหญ่แปลว่าเลอเลอิศแปลว่าสูงส่งอะเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าสังขารการปรุงที่เลอเลิศสูงส่งมันก็จะต้องมีคุณสมบัติหรือว่ามีสิ่งที่ประเสริฐสําคัญก็คือโลกุตระและไปแปลโลกุตระเพราะไม่เข้าใจสภาวะโลกุตระจึงทําให้อัตมาเข้าใจว่าธรรมะโลกุตระมันไม่มีมันวน แล้วมันขึ้นไม่ได้ขึ้นสู่โลกุตระไม่ได้ถ้าเข้าใจชั้นของปุญญาพิสังขารปุญญาไปสังขารอาเนงชาพิสังขารเป็นชั้นๆเหมือนวงวนวงวนของก้นหอยวนไปซ้ายขวาอย่างเดิมนี่แหละแต่ไม่ใช่วนอยู่ที่เก่าบาปแล้วก็บุญบุญแล้วก็บาบาแล้วก็บุญบุญแล้วก็ บ, บ า, บบาไม่ใช่บาปหมดบาปนี้ นะก็เป็นบุญที่สูงขึ้นไม่ใช่บาปตัวเก่าไม่ใช่บาปดเดิมแนละ้วถ้าจะบอกว่าบุญนี้คือบาปก็ไม่ใช่ตัวนี้แล้ววนไปหาตัวใหม่แล้วบุญใหม่ละบุญใหม่ลวต้องปรับตัวใหม่กาจัดตัวใหม่ไปเรื่อยๆวนขึ้นไปเป็นก้นหอยขึ้นไปสูงๆขึ้นไปเรื่อยตามลนดับนะเพราะงั้นเข้าใจอภิสังขารไม่ได้จึงปฏิบัติธรรมไม่ได้ แม้แต่บุญญาปาคิยาก็เละไปจนกระทั่งไปแบ่งส่วนบุญกันเป็นส่วนบุญที่ผู้ทําได้เท่านั้นไปตามลําดับเป็นส่วนแห่งบุญไปจนกระทั่งครบส่วนแห่งบุญไปเข้าประเด็นที่ห้าหมดบุญหมดบาปแล้วก็หมดบุญบุญญะปา ป, ปะปริกีโนสิ้นบุญสิ้นบาปเลยเท่นนี้ พราะฉะนั้นจึงอธิบายประเด็นที่หได้ว่าเมื่อสิ้นแล้วบาปสัพพปาปสัสการนังจึงหมดบุญด้วยไม่ต้องมีบุญแล้วจะไปทำบุญอีกยังไงแล้วก็สิ้นบุญสิ้นบาปแล้วก็เลยทำเทกุศลถ้าเข้าใจที่อาตมาขยายความห้าประเด็นนี้นะนี่เป็นหลักฐานที่อาตมาไม่ได้พูดเองพระญานะเหล่านี้อยู่ในหลักฐานพระธรบิดกทั้งนั้น พระพุทธเจ้าจากพระโอษพระพุทธเจ้าทั้งนั้นไม่ใช่อาตมาไปไม่ใช่เป็นคําพูดของรุ่นระดับเทระด้วยรุ่นระดับสมณะอื่นด้วยของพระพุทธเจ้าเนี่ยในสี่หประเด็นเนี่ยของพระพุทธเจ้าตรัสทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นความลึกซึง้งเป็นความลึกซึ้งที่โอ้โห อาตมาถึงบอกว่าเออเนาะมันยากมันมันลึกซึ้งจริงๆแล้วมันก็เพียนมันเสื่อมอาตมาก็เลยยิ่งพูดแรงๆอย่างสิกามาชพักแก้วว่าว่าอาตมาแมอะไรนาะยยาให้ยาแรงอาตมาก็เลยยิ่งหนักเข้าไปอีก เ, ออเติมยาให้มันแรงเข้าไปอีกเพื่อที่จะให้ท่านเข้าใจแล้วก็รู้สึกว่า มันน่าจะสนใจหน่อยนะมันน่าจะได้ทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งเพิ่มขึ้นไปอีกน่าจะปรับความเข้าใจให้ดีๆหน่อยเถอะเอาไปศึกษาเพิ่มเติมให้มันเกิดภูมิปัญญาและเข้าใจความจริงให้มันลึกเข้าไปจริงๆหน่อยเถอะอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าไม่เช่นนั้นมันไปไม่รอดนันไม่รู้มันไม่เข้าใจอะไรอื่นเลย อัตอมาจึงเห็นว่าศาสนาพุทธมันหมดหมดโลกุตระหมดน้ำยาหมดประโยชน์ในเมืองไทยจึงเพื่อพูดอย่างแรงเป็นยาแรงไปเลยว่านอกจากไม่มีประโยชน์แล้วเป็นโทษให้แก่สังคมด้วยเพราะกลายไปไปพาเป็นเรื่องมอมเมาไปทำเรื่องไอ้อารายตาไราสารพัด นังซื้อพิมพ์สื่อสารมวลชนเห็นแก่เงินลงโฆษณาแต่พระเครื่องลางคล้องคลังกันเต็มหน้าเต็มอะไ ร, แ ต, ะไรแต่พวกนี้ก็โฆษณามอมเมามนุษย์ไปวันวันวันวันวันวั น, ว น, ว น, วนนะได้เงินได้ท้องค่าโฆษณาแล้วก็มอมเมาส่งเสริมกันไปงมงายกันไปหมดเลยพระพุทธเจ้าท่านสอนตั้งแต่ต้นว่า คนแต่สมัยโบราณเขาก็ยังไม่หลงไหลโง่ ง, งมันดุนีที่เป็นหลงเครื่องรางค้องขานพระเครื่องอะไรไต่างๆนั้ น, นาสารพัดที่จะทำโอ้โหเกจิอาจารย์เนี่ยครั้งทุกองค์เลยสร้างพระเครื่องของตนเองออกมาสารพัดนอกนั้นก็ก่อนจะตายก็สร้างเอาจิ้งจกตุ๊กแก อ, อะไรมาทําแม้แต่เอาอะไรอะไรมาทําสมมุติว่าเป็นเรื่อง เครื่องรางอะไรอะไสารพัดบ้าๆบอๆอีกเยอะมีลิตมีเดชไปหมดพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนเป็นหลงอิทธิลิตอิทธิเดชแม่นม้ําภูเขาต้นไม้จอมปลวกอะไรพวกนี้ท่านก็ตรัสแค่นั้นนะท่าไม่บอกถึงขาะมีเครื่องรางคร้องขังอะไรเละ เ, ล เ, ลเลทะอะไรเล ย, เล ย, เลยสแสดงว่ยุคนั้นในขณะเขาหลงก็อะไรที่มันมิจฉาทิฐิแล้วมันก็ยังไม่หนักเท่ายุคนี้เลย ยุคนี้มันหนักจริงๆเลยนะมันงมงายหนักกว่ายุคพระพุทธเจ้าจนเทียบไม่ได้เลยนี่คือความเสื่อมที่เสื่อมจัดเสื่อมจัดมากเลยขออภัยท่าอาตมาจะพูดต่อไปอีกต้องขออภัยล่วงหน้าอยู่เรื่องเกงใจจริงๆแต่มันผิดจริงๆอาตมาก็ไปปิดไว้ก็ไม่ได้ไม่เปิดเผยก็ไม่รู้กัน ถ้าจะมาขออภัยนะถ้ามาไม่เปิดเผยไม่ไม่รู้หรอกยังสวดมนต์ทุกวันนี้เนี่ยอาบัตอาบัตสวดมนต์ก็นเนี่ยตั้งแต่สองคนขึ้นไปไปเอาธรรมบทไปสวดกับสาธารณะให้คารมหาให้ใครฟังเนี่ยอาบัต อยู่ในวินัยที่อสวดกันปาติโมกสวดกันทุกปักนี่แหละท่านก็บอกไว้อบัตแต่ไม่เข้าใจเอาธรรมบทไปสวดให้สองคนขึ้นไปพร้อมกันสวดสองคนพร้อมกันแล้วก็สวดไปเนี่ยมันสวดท่องไปให้คนฟังเหยเฉยเนีย่ตั้งแต่สองคนขึ้นไปเนี่ยท่านกันไงยุคโนนเขามีสวดมนต์อย่างนี้ทั้งนั้นะ ศา ส, สนาอื่นๆลัทธิอื่นๆก็สวดมนต์แบบนี้หากินให้คนมาเคารพนับถือแล้วก็หลงว่าการสวดมนต์นี่เป็นการให้ฤทธิดเดชของาศาสนาแล้วให้พลังในาศาสนาแล้วเข้าใจเป็นแมกจิกอะไรไปลึกลับซึ่งมันไม่ใช่มันเป็นความเข้าใจเอง มันเป็นเรื่องที่หลงเป็นอะไรเองาอาตมาก็ไม่รู้จะไปพูดยังไงค น, นลักษณะของการสวดสองคนขึ้นไปเนี่มันเท่ากับเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าไปหากินในศาสนาอื่นเขาทำพระพุทธเจ้าก็ป้องกันอันนี้เอาไว้โดยออกเป็นบินัยไว้ ห้ามไม่ให้ไปทําไม่ต้องไปพูดไปสวดกันในทานองยาวทํานองยืดเยือ้อไม่ต้องไปพูดเลยอะนันก็ผิดซ้อนอยู่แล้วไปสวดพร้อมกันเป็นนักร้องควายนักร้องหมูนักร้องควายอาตมาไม่ได้ไปว่าค ว, ควายภาษาไทยนะวายเนะี่ยอุตส่าห์พยายามใช้ pronunciation มันให้มันออกนะ เป็นนักร้องหมู่เนี่ยผิดจะไปรากเสียงอันยาวด้วยยิ่งผิดไปแถมใหญ่เลยอัน น, นตัดไปแม่แต่แค่ลากเสียงยาวมันก็ผิดไปแล้วร้ อ, นะองขับให้คนอื่นมูมันมีสังคีติอัตมาเคยอธิบายแล้วสวดพร้อมกันเป็นหมู่ได้สวดเพื่ อ, พ ร, อพร้อมกันเพื่อจะยังให้ช่วยกันสวดพร้อมกันจะได้ช่วยกันจํา คุณสวดท่องสังคีติไว้ในหมู่นะหมู่อย่างหมู่พระอนนท์ก็ท่องหมู่ไปสหรับเอาพระสูตรมาท่องพระอุบาลีก็ท่องไปสวดทางวินัยก็สวดท่องไว้เป็นหมู่ยาไปสวดเป็นหมู่ตั้งแต่สองคนขึ้นไปเป็นร้อยเป็นพันเป็นสิบอะไรก็ไม่ไม่ได้สองคนขึ้นไปก็ไม่ได้แล้วถ้าจะสวดคนสวดคนเดียว บรรยายคนเดียวที่บอกว่าส่วนนี้ก็คือผู้คนเดียวบรรยายคนเดียวส่วนคนเดียวก็คือเอาธรร ม, มบทของพระเจ้ามาแล้วก็ไปบรรยายนะบรรยายเข้าไปนะบรรยายเข้าไปแล้วก็ขยายความเข้าไปนั่นได้มันก็เป็นการบรรยายธรรมะให้พระเจ้าไม่ได้เอาไปสวดทากิ น, นเป็นการ บรรยายนทมแต่อันนี้ไม่ได้บรรยายรรมเอาธรรมมาพระพุทธเจ้าประสวดท่องให้เอาคำของพระพุทธเจ้าท่านเองไปสวดไปเฉยแต่ถ้าเผื่อว่าเอาไปรบรรยายก็ต้องเอาธรรมมพระพุทธเจ้าผู้ที่มีปฏิพานจะเป็นธรรมกัจจุก็ต้องเอาธรรมบทนี่มาขยายความไม่รู้เรื่องไม่ใช่เอาคำของพระพุทธเจ้ามาท่องให้ฟังเฉยๆมาพูดให้ฟังเฉยๆเพระเาะฉะนั้นก็ กันนะว่าอย่าว่าเอาไปสวดพร้อมกันในสองคนเพื่อที่ทั้งนั้นทั้งหลายแหละที่ก็สวดกันก็สวดพร้อมกันใช่ไหมล่ะสองคนเข้าไปสวดวันนี้คือท่องไปสวดมนต์เรียกว่าสวดมนต์ก็สวดมนต์แล้วก็ไปของคลั่งขังไว้ได้อะไรแล้วเพราะงั้นถ้าไปเอาแต่สวดมนต์แล้วก็ถือว่าการสวดมนต์นี่แหละคือของพระพุทธเจ้าแล้วก็คือศาสนาเสื่อมแล้ว ถ้าคุณจะพร้อมกันสวดจะเอาคำประนามคาถาคำประนามคาถาคืออะไรคือคำที่คนแต่งขึ้นสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าสรรเสริญคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นคำของคนอื่นไม่ใช่คำมาบทไม่ใช่คำสอนพระพุทธเจ้าไม่ใช่คำสอนพระพุทธเจ้าเป็นคำสรรเสริญคุณประนามคาถา ประนามแปลว่าการสันเสริญแต่มันทุกวันนี้นี่คำประนามมันเป็นคำเสียคำสันเสริญมันเป็นคำเสียทุกวันนี้ในคำสันเสริญคือคำดา่าฟังให้ดีไม่ขยายความให้งงไว้แค่นั้นนะคำสันเสริญทุกวันนี้เป็นพิษเป็นภัยคำด่านี่แหละถ้าใครสามารถด่าให้คน รับได้ให้คนดื่มได้เรียกว่าเปยยวัชะนี่คําสอนพระพุทธเจา้าเปยยวัชะแปลว่าของคนปรปยยะแปลว่าของคนดืงวัชะแปลว่าคําตําหนิหรือคาําด่าเปยวัชะแปลว่าด่าให้คนดื่มถ้าใครด่าให้คนดื่มได้เป็นปิยาวาจ า, าในสังขาวัตถุ ใครด่าคนอื่นให้ดื่มได้นี่เป็นปิยะวาจาเพราะฉะนั้นคําสอนพระพุทธเจ้านั้นเป็นเชิงตาหนิเป็นเชิงด่าทั้งนั้นน่ะสรนเรินท่านไม่ส่งเสริมหรอกเพราะงั้นไปหลง ส, สันเรินกันทุกวันนี้คําสันเซินจึงกลายเป็นคาซ้ำเติมคือคําด่าในนิยตีกลับสรรเริญเนี่ยเป็นคาด่าทีนิยตีกลับเป็นพิษ แต่คำด่าเป็นยาทำสรรเสริญเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นยาเป็นกันยาพิษแต่คำด่านี่เป็นยารักษานี่มันลึกซึ้งอย่างงี้มันสับไปกลับไปกลับมาที่บอกว่าไปสวดมนต์ตั้งแต่สองคนขึ้นไปแล้วก็ไปหลงยิ่งเป็นเรื่องลึกซึ้งลึกลับอะไรแต่อะไรที่จะมีพลังอย่างโน้น อ, อย่างนี้นะี่นะ มันเป็นเรื่องงมงายทั้งนั้นอัตมาพูดไปแล้วแมคนที่เขายึดเขาถือนี่นะเขาก็หาว่าอัตมานี่มาทำลายศาสนานะมาทำลายศาสนานี่เขาคนหาไอ้อบัตข้อนี้ในวินัยไม่เจอกันเขาไปเปนค้นถือว่าคำสวดพระสองรูปขึ้นไปเนี่ย มันไม่มีภาษาแปลว่าอย่างนั้นหรอกในปัจจิตีข้อนี้ <c oughs> ข้อในอะไรควมามุสาไม่จยมุสาวักหรือเปล่าดูขอ <c oughs> อยู่ข้อใดข้อหนึ่งอ่ะสวดขึ้นพร้อมกันตั้งแต่สองลูกเนี่ยมันเป็นปคำขยายความคำอยู่ในนั้นมันไม่ได้ยาวอะไรเราไม่ได้พูดทางนี้หรอกนะ ซึ่งไม่ใช่แค่ขวัใจง่ายๆนะมันมีคำว่าทับสดโดยโบททำโดยโบทเรียกว่าทำโดยโบทอะไรเนี่ยในวินัยในปัจจิติทำโดยโบทยสวดทำโดยบทโดยอะไรแสดงทำโดยโบทอะไ ร, ะ ร, ะไรตั้งแต่สองั้งแต่อสองลูกขึ้นไปหรืออะไรเนี่ยประมาจจำไม่แม่ เรียนธรรมะโดยบททุกๆบทภิกษุบอกธรรมะหรือขอเรียนธรรมะโดยบทอะไรตอนบัตรปจิตีทุกบทเนี่ยบอกธรรมบอกธรรมโดยบทอะเอาเถอะ คือมันเป็นเรื่องรึกซึ้งอัตมาเองอัตมาก็ไม่รู้จะว่าไงเพราะอัตมาสัมผัสแล้วอัตมารู้ว่าปัจจิตีข้อนี้ถ้าเผื่อว่าไม่ขยายความเขาก็ยังไม่รู้เรื่องว่าไอ้นี่คืออะไรมันอบัตอันนี้คือหมายความว่าอะไรเขาไม่รู้หรอกแต่อัตมารู้ว่านี้มันรึกซึ้งข้อเนี้แต่มันก็อย่างว่าท่านก็รู้แล้วว่าในอนาคตมันจะมีอันนี้อัตมามาพูดขึ้นตอนนี้ก็เป็นขณะนี้แหละคืออนาคตมาเตือนให้รู้ว่าีห้ามไม่อยู่หรอก มันทั่วโลกนะาการสวดพยัญชนะอันเนี่ยไอ้สวดทาโดยบทเอออาบทธรรมธรรมบทของพุทธเจ้ามาสวดเนี่ยนั่นสองคนขึ้นไปพร้อมกันให้คารวาสให้ไปสวดเอาไปสวดหากินนั่นแหละสรุปโดยเนื้อแท้โดยเนื้อแท้ซึ่งเป็นเรื่องลึกซึ้งมากนะมันทําให้งมงายและมันก็ทําให้ถ้าอาตมาจะพูดนจริงเกินไป ถ้าไม่มีการสวดมนต์แล้วในศาสนาพุดไม่มีอะไรเลยพิธีกรรมต่างๆถ้าไม่สวดมนต์เลยเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นถ้าพิธีสงฆ์เนี่ยถ้าไม่มีสวดมนต์เลยมีอะไรเกิดขึ้นเขาหาว่าไม่มีอะไรเลยในศาสนาใช่ไหมอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ ถ้าไม่มีให้สวดมนต์เนี่ยไม่ให้สวดมนต์เนี่ยศาสนาอยู่ไม่ได้เลยอยู่ไม่รอดเลยพระถือว่าไม่มีประโยชน์มีประโยชน์เพราะสวดมนต์เป็นเท่านั้นเองขอ้อพยานนี้อาตมาพูดบังอาจมากเลยนี่ยิ่งใหญ่เหลือเกินมันไปว่าเขาจัดจ้านเกินไปแล้ว ข, อขอ้อพยานจริงๆเลยแต่อาตมาพูดนี้เป็นการศึกษาผิดก็เป็นบาปของอาตมา ถ้าจะมาพูดนี่เป็นการใส่ความใส่ใครเป็นเรื่องที่ไม่จริงบ า, บาปบาปหนักด้วยอาตมาทําลายาศาสนาด้วยซึ่งเป็นสัจจะบาปก็ต้องไปคล้องอตาตมาตอตาตมาไม่ทําหรอกบาปอตาตมารู้ว่าสิ่งที่ทํานี่เป็นสิ่งที่เป็นสัจจะเพราะศาสนาถ้าไม่มีการสวดมนต์นี่นะหมดน้ํายาเลยไม่เหลืออะไรเลยพระศาสนาพุทธทุกวันนี้นะยังดียังเทศเป็นนะ เขายัางชั่วถ้าจะเทศสองคนก็เทศสักัจะฉาได้โตตอบปุตรชาวิสชนาไม่ใช่สวดพร้อมกันสองคนขึ้นไปไม่ใช่สวดพร้อมกันสองคนขึ้นไปก็สากกฉาได้เทศแบบสากกฉาไม่มีปัญหาได้ไม่ผิดแต่ไปสวดสองคนขึ้นไประเทศบรรยาย จะให้คนอื่นเข ไ, ออได้รับประโยชน์ว่าเนี่ยเป็นส่วนมนนี่แหละสองรูปขึ้นไปสวดปาลแ้ว เ, เอาธรรมบทสวดประนามคาถาไม่เป็นไรไม่ผิดไม่อาบัตไม่บาปเพราะประนามคาถาเป็นคํำสรรเสริญคุณมันไม่ใช่แต่ธรรมบทน่ะธรรมบทนี่แหละเขแปลว่าทําโดยบทธรรมประทะก็แปลทรัพย์ทระธร์มโดยบท คนก็เลยไม่รู้เรื่องมันอะไรกันว่าโดยบทมันแปลเมื่อไทยก็ทําโดยบทมันแปลว่าอะไร น, น, นี่ก็ขยายความอะไรตๆสู่กันฟังไปนี่เป็นสิ่งที่เสริมเติมให้รู้ความรู้แต่นี่ก็ออกอากาศาไปสู่สังคมก็ไม่ได้ต้องปิดบังไม่ต้องตัดออกอะไรเราก็พันยายไปว่าไปเถอะ ใครจะเอาอาตมาตายก็ไม่ว่ารแล้วก80กว่าแล้วตายก็ตายเพราะว่าจริงๆก็ปรัชนาดีเพื่อยังให้สติเตือนอให้ไปพิจารณาให้ไปคิดที่แก้ไขปรับปรุงแต่ที่พูดไปแล้วนี่แม้แต่สวดมนต์อาตมาก็ไม่บางอาจแล้วก็ไม่มีทางหรอกที่มันจะไปลมลางได้ แม้แต่เดรัชานวิชาต่างๆนี่เข้าใจกันอยู่เทียงอัตมาไม่ได้หรอกแต่บทนี่เทียงอัตมาได้เขาจะเทียงได้เรื่องของไปสวดมนุษย์เนี่ยด้วยเถียงได้แต่เรื่องของเดรัชานวิชาก็เทียงอัตมาไม่ได้หรอกมันเป็นมันเป็นเรื่องไร้สาระมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่พุทธแต่เขาก็เลิกไม่ได้แค่เดรัชานวิชาเขาก็เลิกไม่ได้จริงเลิกไม่ได้หรอก วันยังไม่ต้องไปพูดแล้วว่าให้เลิกสวดมนต์พวกเราสวดไหมเราไปสวดมนต์ต่อสาธารณาเราไม่เคยเอาธรรมบทอาตมาไม่เคยเอาธรรมบวชพาไปสวดเลยสวดแต่ปนามคาถาเท่านั้นนั่นก็ไม่ใชมากไม้อะไรพวกเราสวดอะไรเป็นนอกจากพุงแปดกับมหากาศพาวัตุศัพท์ ซึ่งเป็นบทที่เขาแต่งขึ้นสรรเสริญคุณทั้งนั้นไม่ได้เป็นปณามากถ า, าไม่ได้เป็นธรรมบทเลยไม่เคยไปสวดมงคลสูตรไปสวดธรรมจักปวัตตนสูตรไปสวดอะไรสารพั ส, สูตรไม่เคยนะอ่าสิกขาบทวิพังบทว่าอันหนึ่งใดความว่าผู้ใดคือผู้เช่นใด นคำว่าผู้อันหนึ่งใดเนี่ยคบรรยายท่านก็ยากยากนะพวกจะแจกพิพันธุ์ต่างความว่าผู้ใดคือผู้เช่นใดบทว่าภิกษุความว่าที่ชื่อว่าภิกษุเพราะอัดว่าเป็นผู้ขอนี้ชื่อว่าภิกษุที่ทรงประสงค์ในอัดนี้ที่ชื่อว่าอนุสัมพัน์คือยกเว้นภิกษุภิกษุณีนอกนั้นชื่อว่าอนุสัมบันที่ชื่อว่าโดยบทคือจะไปสวดให้อนุสัมบัน์ฟังะ ที่ชื่อว่าโดยบทได้แก่บทอนุบทอนุอักษรอนุพยัญชนะที่ชื่อว่าบทคือขึ้นต้นพร้อมกันให้จบลงพร้อมกันเนี่ยคือต้นพร้อมกันจะจบลพร้อมกันร้องเปงล่งร้องก็ไปสวดพร้อมกันที่ชื่อว่าอนุบทคือขึ้นต้นต่างกันและจบลงพร้อมกันจะขึ้นต้นต่างกันอีกคนนึงขึ้นนโมตัสตาคะคืนตามแต่ไปจบลงพร้อมกันนะ ชื่อว่านุคนุอรกระก็คือภิกษุสอนว่ารูปังอนิจจังเนี่ยเป็นตัวเอายกตัวอย่างนะรูปังนิจจังนุปนุปนุสัมพันธ์กล่าวพร้อมกันว่าอะไรรูปังอนิจจังพอพร้อมกันก็รูปังนิจจังก็คือธรรมบททางนั้นนะนะรูปังนิจังรูปังอนัตตาอะไรก็ว่าไปเนี่ย ซึ่ไปสวดให้อนุสัมบัญญฟังตั้งได้สองรูปพร้อมกันขึ้นไปขึ้นตนพร้อมกันหรือขึ้นตนไปพร้อมกันแต่ลงพร้อมกันอะไรพวกนี้สวดตามกันเป็นหมูเนี่ยท่านห้ามไว้แต่ฟังยากเข้าใจยากเพราะ ม, มันลึกซึ้งแลวก็ไม่รู้นัยยะความหมายนะเพราะนั้นนยยะความหมายลึกซึ้งพวกนี้ไม่ใช่จะเข้าใจได้ง่าย อาตมาไม่ได้ร่างมาเจตนาที่จะมาหาเรื่องนะถ้าหยิบเรื่องพวกนี้มาพูดหาเรื่องอะไรไม่ใช่แต่มันเป็นศัจธรรมเป็นการศึกษาในแนวลึกสูงส่งตอนนั้นผู้ใดที่ตั้งใจศึกษาก็ฟังเอาถ้าจะได้ความรู้ก็ได้ไปแต่อาตมาบอกได้เลยว่ามันแก้ไม่ได้หรอกมันจะไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นผูดด้ใดรู้ก็ อย่าทำของตนเองเท่านั้นก็เก่งแล้วอย่าทำของตนเองก็เก่งแล้วอาตมาแยกมานี่เพราะอาตมาร่วมอยู่ไม่ได้เพราะว่าอาตมาถ้าร่วมอยู่อาตมาไม่ทําอย่างนี้อาตมาทําไม่ได้มันไม่ได้แต่อาตมาไม่เคยตั้งแต่บวชตั้งแต่อยู่ในทางโน้นอาตมาไม่เคยไปร่วมสวดมนกับหมู่อย่างนี้กับ คณะสงฆ์เลยตั้งแต่บวชอยู่ในสงฆ์จนปศหนึ่งปดค่อยลาออกอาตมาไม่เคยไม่เคยไปสวดร่วมกับสงฆ์อื่ น, นๆใดๆไม่เคยไปสวดเลยสักครั้งเดียวเพราะสวดไม่เป็นไม่สวดด้วยสวยดอย่างนั้นไม่สวดด้วยนะเพราะอาตมารู้แล้วมันผิด ตั้งแต่สวดยาวเยินเยินอาตมาเขาดูแล้วมันผิดเพราะงัยิงไปสวดพวกอย่างนี้มันยิ่งผิดใหญ่อาตมาไม่ได้ทําเลยเพราะแม้แต่จะลงโบสเวลาสวดมนต์สวดอะไรเนี่ยท่านก็สวดไปอาตมาก็สวดเพราะว่าไม่ได้สวดให้อานุสัมพันฟังสวดในโบสสวดในอะไรอะไรอาตมาก็สวดด้วยแต่ว่าไปสวดที่พาไปรับนิมนต์ไปสวดไม่เคยเลยใน การบวชมาไปสวดที่ไปงานที่ในในรับนิ ม, มนต์ไปสวดไม่เคยไปงานรับนิ ม, มนต์แล้วก็ไปสวด ม, มนต์กับเพราะอาตมาไม่ใช่นักสวดอย่างที่เขาจะนิ ม, มนต์และเขเยแย่งกันไปด้วยเพราะเขาไปแล้วเขาได้ค่าสวดอาตมาก็ไม่จําเป็นอาตมาก็ไม่เคยไปแย่งใครเพราะเขาแย่งกันอยู่แล้วเรื่องตัวอะไรตัวเราจะไปแทรกไม่เคยนนในชีวิตบวชมาไม่เคยไปสวด ม, มนต์อันนี้เลย นะอย่างที่ว่านี่ไม่เคยไปทำํำนะเอาละพูดไปพูดมาเลยเวลาไปตั้งหลายนาทีแล้วสองทุ่มสีส่สแล้ววันนี้พูดใหญ่ขออภัยจริงๆอะไรที่อะไรพูดไปแล้วมันบาดมันเสียดมันกระทบกระเทือนอะไรก็ต้องขออภัยอย่างมากจริงๆเลยธรรมมาเจตนาพูดเป็นการศึกษาพูดเป็นการให้ศึกษาไม่ได้มีเจตน า, ไ ม, มตามไม่ได้มีจิตลามกไม่ได้ไปจิตเกลียดชังมีจิตเทิดทูนาศาสนาพุทธศาสนาพระพุทธเจ้า ต้องการความถูกต้องต้องการความเจริญงอกงามอย่างแท้จริงเท่านั้นที่พูดไปนคนฟังอาตมามีสิทธิ์เชื่อหรือมีสิทธิ์ไม่เชื่ออาตมาบังคับใครไม่ได้หรอกอาตมาพูดความจริงมีสิทธิ์พูดความจริงอย่างเดียวถ้าผิดอาตมาก็บาปของอาตมาอาตมากลัวบาปอาตมาเชื่อกำเชื่อวิบากอาตมาเชื่อใครไม่เชื่อก็แล้วไปอาตมาไม่ทาบาปไม่ทาผิด อัตมาเชกรคำเชิดวิบัติเจริ่นทำทุกคน